สวัสดีนะครับเดี๋ยวเราเริ่มพร้อมกันนะครับสักคู่หนึ่งนะครับใจเย็นๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาพร้อมกันเลยนะฮะโอเคมาแล้วมาแล้ว เดี๋ยวเราอสักครู่นะครับรอสมาชิกสักครู่หนึ่งนะครับโอเคฮะมาแล้วเจอกันอีกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวต้องขออญาตนะฮะเช็คต้้งแป๊บหนึ่งนะครับเจอกันแล้วนะฮะโ้โอเค ฮัลโหล everybody นะฮ ะ, ะเป็นยังไงกันบ้างครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะก็หลายๆายท่านนะครับก็เพิ่งเข้ามาในเพจคิวหลายท่านก็มานานแล้วนะครับเอาเป็นว่านะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับดีก่อนนะฮะแป๊บนึงนะครับโอเคนะะมาหลายท่านแล้วนะฮะใครมาแล้วรายงานตัวหน่อยจากจังหวัดไหนบ้างนะครับวันนี้นะฮะ เราคุยกันเรื่องทิศทางของ PQQ นะครับความเป็นไปได้ในอนาคตนะฮะแล้วก็ในเรื่องของ mindset ของคนสำเร็จนะครับผมมีหลายมีหลายอย่างนะครับที่จะคุยกันครับในเรื่องของ Vision นะครับในเรื่องของการสร้างรายชื่อนะครับของผู้ร่วมธุรกิจของเรานะครับแต่เดี๋ยวเบื้องต้นนะฮะตามเลยฮะตามเลยคนคนไหนที่ยังอยู่ในในในไลน์นะฮะที่ยังไม่ได้มาไลฟ์ดูโดยเฉพาะสมาชิกสมาชิกใหม่นะครับที่ที่กำลัง จะดูนะฮะต้องต้องต้องมาเลยนะครับโอเคฮะเดี๋ยวรอสมาชิกกันแป๊บหนึ่งนะครับรอสมาชิกกันแป๊บหนึ่งนะครับกำลังทยอยกันมานะครับในส่วนนี้นะฮ ะ, ะมีคนถามในไลน์ว่าดูยังไงฮ ะ, ะต้องแอดเดี๋ยวนะครับต้องแอดเฟซผมนะฮะต้องแอดเฟซผมก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะฮะโอเคนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวรอให้สมาชิกนะครับที่เขากำลังเดินทางอยู่หรือว่ากาลังเปิดอินเทอร์เน็ตอยู่นะฮะเราจะเจอกันนะครับทุ่มนะครับเป็นเรื่องปกตินะฮะของทีมเรานะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยความรู้เป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับความรู้ความเข้าใจนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญในการขยายธุรกิจนะครับแล้วก็สำหรับตัวเพจิวเนี่ย ซึ่งซึ่งเราก็อย่างที่เรารู้กันมันก็ง่ายเสียเหลือเกินนะฮะแต่ถ้าไม่มีความรู้นะครับมันก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะครับรอสมาชิกสักครู่นะครับตอนนี้ผมก็กําลังดูในส่วนของสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนะครับกลุ่มไล n e นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเข้าไปทักทายสมาชิกก่อนมีมาจากทางไหนบ้างแปบ๊บหนึ่งนะฮะ โอเคตอนนี้คอมพิวเตอร์ผมค้างนะครับเดี๋ยวลองสักครู่นะครับโ okay. okay. <c oughs> อเคลองแป๊บหนึ่งนะครับมากันหรือยังมากันหรือยังน่าจะมากันแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> คือถ้า ถ้าใครถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะเดี๋ยวคุณก็จะเข้าใจในเรื่องของทิศทางของเพจค q วเลยนะครับว่ามันจะเดินทางไปในทิศทางไหนนะครับแล้วคุณตัดสินใจถูกไหมที่ลงทุนที่นี่ในราคา 1,000 ซึ่งซึ่งมันถูกมากนะครับก็เดี๋ยวผมคงให้ผมคง ผ, ผมคงพูดคุยถึงในเรื่องของของของปัญหาที่เราเจอกันด้วยนะครับแล้วก็แนวทางการแก้ไขนะครับว่าเราจะแก้ไขในทิศทางไหนนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างง่ายนะครับ แล้วก็มีเงินเข้าในกล่องคิวได้อย่างรวดเร็วนะครับโอเคถ้าใครมาไม่ทันก็ตามตามดูย้อนหลังนะฮะเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับฮะวันนี้วันนี้จะพูดในหัวข้อที่ที่ที่ค่อนข้างเป็นการทำงานนะครับ <C oughs> มีท่านใดที่ยังไม่มารีบตามกันเลยนะฮะทีมงานท่านใดยังไม่มานะครับตามกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดแล้วนะฮะ เ, เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยนะครับในส่วนของของของคำถามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นจะเป็นช่วงการตอบคาถามก็เป็นช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะให้ถามคาถามนะฮะแต่เดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะคุยในเรื่องของข้อมูลก่อน นะครับสักครู่หนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับวันนี้เซ็นเซ็นเตอร์บิลนะฮะกินขนมจีนไป1นกิโลนะฮะไม่รู้กินไปได้ยังไงนะครับนะฮะโอเคนะครับอ๋อพี่นกมาจาก USA เลยครับอ้โนะฮะ คือจริงๆไม่ได้ดูโสมนะครับจริงๆคือยังไม่ได้ล้างหน้านะฮะหน้าสดนะฮะอาบน้ําแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะว่ามีการเซ็ตผมเรียบร้อยนะฮะนะฮะแต่ว่าก็ก็เอาสบายๆกันตอนแรกผมว่าผมจะใส่เสื้อยืดแต่ก็กลัวไม่เหมาะนะครับยังไม่ได้กลโนดด้วยนะฮะไม่ได้กลโนดด้วยนะครับไม่เป็นไรนะฮะโอเคมาจหลายภาคเลยนะครับ ก็โอ้มีจากตรังศรีสะเกดปราจีนบุรีนะฮะ USA ชนบุรีจันท บ, บุรีโอ้โหสุดยอดเลยนะครับจันท บ, บุรีนี้ต้อนรับนะฮะมีกาลสินอุดรธานีด้วยนะครับโหนาลาทิวาดนะครับเยี่ยมเลยฮะโคราชแพร่นะครับอุดรกาลสินอ่าเดี๋ยวะขอนแกน่นมาแล้วนะฮะกทมปทุมโอ้โหมีครบเลยนะฮะโอเคนะครับให้เริ่มเลยมให้เริ่มเลยอ่าถ้าเริ่มเลยก็เดี๋ยวเริ่มเลยก็ได้นะ ะะเอาละนะครับก็ถ้า ง, งั้นอย่างนี้ก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยเรามาคุยถึงเรื่องทิศทางกันก่อนนะครับทิศทางของตัว PQ มันจะไปในทิศทางไหนนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทุกคนรู้รู้ว่าข้อมูลของ PQ หรือว่าผมใช้คําว่าวิสัยทัศน์ของคุณโอมแล้วกันเนาะหรือว่าแม้แต่ถ้าวิสัยทัศน์ของตัวคุณเองนะครับหรือว่าของของตัวผมนะฮะ ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะก้าวกระโดดเข้ามาเล่นในในธุรกิจตัวโซเชียลเนี่ยเราก็เคยผ่านมาหลากหลายธุรกิจกันนะครับทุกคนก็เคยผ่านธุรกิจมาเยอะนะแน่นอ น, นครับมันเป็นเรื่องธรรมดาครับที่จะสําเร็จบ้างล้มเหลวบ้างบางคนเป็นบางคนเป็นผู้สําเร็จในธุรกิจมาเลยก็มีนะครับแต่วันนี้ก็มามาอยู่ในเพจคิวด้วยนะครับเพราะว่าผมให้มุมมองเสมอ นะครับว่ามันเป็นอีกกระเป๋าหนึ่งที่คอยมาซัพพอร์ตนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่เคยพูดเลยว่ามันเป็นอะไรที่ดีที่สุดในโลกนะครับแต่ว่าด้วยด้วยแพลตฟอร์มที่มันทําง่ายนะครับแพลตฟอร์มที่สามารถทําให้คนเนี่ยจับเงินได้ในทุกๆวันนะครับแล้วหนึ่งก็คือลงทุนต่ำนะครับมันลงทุนต่ํามากนะครับแต่ถ้าเราทําเป็นผมบอกเลยครับว่ามันสามารถทําทำเพย์คิวคิวเนี้ยทำเงินจากเพยคิวเนี้ยได้อย่างมหาศาลเลยนะครับซึ่งถ้าใครดูว่า รายได้มาจากข้อไหนบ้างนะครับที่หนึ่นสีหะที่ตอนนี้เรามีอยู่นะครับคุณก็จะรู้เลยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นช่องทางทําเงินที่ผมต้องบอกก่อนว่าไม่เคยมีใครคิดขึ้นมานะครับคือมันยังไม่เคยมีใครคิดได้แบบนี้นะครับอาจจะมีลักษณะคล้ายๆกันที่ผ่านมาแต่ว่ามันมันไม่มีทิศทางคุณนึกออกไหมฮะมันไม่มีทิศทางมันไม่มีเขาเรียกว่าความ professional ที่มันเกิดขึ้นนะครับหรืออาจจะไม่ถึง timing มันก็ได้อาจจะยังไม่ถึงเวลาของมันนะครับทีนี้ฮะตัว ตัวทิศทางเพจเนี่ยนะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยเราอย่างที่ผมคุยเสมอเลยนะฮะทำไมผมผมถึงให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเรื่องของแกนแกนของวิวัฒนาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารหรือว่าเทคโนโลยีนะครับที่มันจะเข้ามาแทนที่นะฮะเพราะว่ามันอยู่ในกระแสของโลกนะครับถ้าใครเคยถ้าใครเคยได้ยินคำคมของคุณบรอนน์บัฟเฟตนะที่เขาบอกว่าถ้าวันนี้คุณชอบอะไรให้คุณทามันเป็นงานอนดิเรก แต่ถ้าวันนี้โลกชอบอะไรหรือไปในทิศทางไหนให้คุณทำมันเป็นธุรกิจซะนะครับทำไมคนถึงร่ำรวยจากธุรกิจโซเชียลมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเออไม่ใช่โซเชียลเลยไม่คือเป็นในเรื่องของพวกเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะฮะบิลเกตสตีฟจ็อบนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งแจ็คมาระครับมีมาร์คซักเกเบิร์กนะครับเจ้าของเจ้าของ k นะฮะเจ้าของไลน์เจ้าของอินสตาแ a รมนะครับทาไมเขาถึงร่ารวยจากการทําธุรกิจที่มันที่มันโคกันในเรื่องของเทคโนโลยีและการออนไลน์นะครับเพราะว่าวันนี้ฮะมันเขาเรียกว่ายุคสมัยมันหมดพรมแดนไปเลฮะมันไม่มีพรมแดนของการติดต่อสื่อสารนะครับคือการสื่อสารนี้สามารถสื่อส า, ารได้หมดเลยแม้กระทั่งในใ น, ในโลกเราถึงอวกาศก็สามารถทําได้ฮะผ่านอิเตนเทอร์เน็ตนะครับผ่านดาวเทียมผ่านสัญญาณ ต, ต่างๆนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับทิศทางของตัวเพจค q วเนี้ยมันเลยไปในเชิงบวก มันเลยไปมันเลยไปในเชิงของการขยายเข้าสู่โซเชียลอื่นๆคือคุณต้องเข้าใจในเรื่องของลักษณะของมันหรือคอนเซ็ปต์ของมันก่อน <c oughs> ปกติแล้วเนี่ยนะครับโซเชียลทุกโซเชียลจะมีลักษณะเฉพาะเช่นลองนึกภาพนะอินสตาแกรมอิน a ตาแกรมเนี่ยทําออกมาให้คนใส่รูปภาพแล้วก็เขียนแคปชั่นทำไมคนถึงติดอินสตาแกรมเยอะขนาดนั้นทั้งที่มันทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากใส่รูปภาพใส่แคปชั่นมีอัดคลิปวีดีโอตอนนี้เริ่มมีแชทแล้วอยู่ใน Instagram ใช่ไหมฮะเพราะว่า มันมีรูปแบบเฉพาะของมันคือคนติดการถ่ายรูปติดการโชว์ติดออปชันติดการเขียนแคปชั่นใช่ไหมฮะเขาจะเอาพื้นที่อะไรนะที่จะลงไปปล่อยปล่อยปล่อยความกระหายของเขาฮะแน่นอนฮนะในเมื่อมันมีนมพื้นที่ในการโชว์รูปถ่ายใช่ไหมอ่ะเช่น Instagram มเขาก็ใช้อินส a าแกรมกันแล้วเขาก็ติดกันนะครับคนใช้หลากหลายเขาอยากจะอวดเขาอยากจะไปฟอลโลคนนี้เขาอยากจะไปกดเลิฟอยากจะไปกดไลค์ให้คนนี้นะฮะมันเป็นการเชื่อมต่อกันนะครับทีนี้เหมือนกัน ไลน์ลก็เป็นช่องแชทบล็อกที่ที่ผมใช้คำว่าเป็นแชทแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับมีกลุ่มมีการติดต่อสื่อสารนะครับซึ่งมันก็สะดวกสบายมากขึ้นส่งเพลงส่งรูปส่งไฟล์ต่างๆได้นะครับซึ่งรวดเร็วด้วยนะครับทีนี้มาในส่วนของเพจ QQ ตัวเพจ QQ คเนี่ยคุณต้องเข้าใจอย่างก่อนว่า 1. มันใหม่พอมันใหม่แล้วเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยการเข้ามาใช้งานเนี่ยมันอาจจะยังมันอาจจะยังดูดูแล้วเหมือนกับว่าเอ๊ะ มันจะได้ไหมนะครับมันจะไปรอดหรือเปล่าผมต้องบอกอย่างนี้เลครับว่าใช่ครับมันใหม่ความใหม่ของมันเนี่ยบางครั้งอาจจะทําให้เรามีปัญหาบ้างในการใช้งานนั่นแสดงว่าจริงๆแลนะ้วเนี่ยคุณต้องทําความเข้าใจกับตัวคุณเองว่าคุณกําลังอยู่ในเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีที่ผมใช้คําว่ายังจะไม่เปิดตัวด้วยซ้ำาหมฮมันเป็นอะไรที่ใหม่ นะครับคือไม่รู้จะนิยามคาไหนแต่ผมบอกเลยว่าถ้าวันนี้คุณคุณมีคุณมีใจนะครคุณมองเห็นวิชั่นนะครับที่มันกำลังจะที่มันกําลังจะโตก้าวกระโดดไปเนี่ยคุณกําลังรู้เลยว่าคุณกําลังอยู่ในช่องทางการทําเงินที่ถูกต้องและถูกเวลาด้วยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับในโลกยุคนี้มันไม่มีแล้วฮะมันหมดยุคสมัยของการที่จะต้องหาของไปขายมันหมดยุคสมัยของการที่จะต้องทําแบบออฟไลน์แล้วฮะมันเป็นยุคสมัยของการเสดเงินจากแอร์ไทม์ ช่องทางทําการเงินมีอยู่เยอะมากครับบนโลกนี้และทุกอย่างดีหมดแต่คุณคุณกำลังเข้าไปอยู่ในจุดที่มันเป็นผมใช้คําว่าจุดจุดเปลี่ยนของวิวัฒนาการการสื่อสารจุดเปลี่ยนของวิวัฒนาการการใช้โซเชียลจุดเปลี่ยนของการทําเงินนะเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้นะฮะตัวเพจค q วคิวขึ้นมาเนี่ยทำไมเขาถึงทําขึ้นมาเพื่อให้ยูเซอร์ได้เงินล่ะครับทําไมต้องทํารูปแบบขึ้นมาในรูปแบบของการสร้างคอนเทนต์ในเบื้องต้นนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ย ในรูปแบบของคอนเทนต์เนี่ยนะครับมันเป็นรูปแบบของการทําเงินบนแอร์ทําที่มีมาอยู่แล้วคุณกดเข้าไปอ่านข่าวคุณกดเข้าไปดูดวงคุณกดเข้าไปเล่นอะไรนะเกมทายใจเกมทายสัตว์เลี้ยงเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเขาเขาจึงออกแบบมาให้ให้มนุษย์ที่จะใช้เพจค q วคิวนฮะให้คนให้ให้พวกเราเนี่ยนะฮะใช้เพจค q วคเนี่ยคืออยากให้ลองเทสในการสร้างคอนเทนต์ดูก่อนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เยอะไปมากกว่าการโพสต์ แคปชั่นไปมากกว่าการโพสเนื้อเรื่องรูปภาพคลิปจาก Youtube อีกหน่อยนะคุณกำลังจะเจอกับสิ่งหนึ่งที่ผมใช้คาว่าเป็นสื่อชี้นำและคนจะติดกันมากเลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะฮะเพจคิวไม่มีโซเชียลของตัวเองแต่เกาะไปกับทุกโซเชียลนั่นหมายความว่าเขาสามารถสร้างคอนเทนต์แล้วเกาะไปได้กับทุกอย่างโดยรูปแบบอัจฉริยะอย่างหนึ่งผมใช้ว่าอัจฉริยะเลนะคุณว่าวันนี้การตลาดที่ดีที่สุดในโลก แน่นอนะผมต้องยอมรับเลยว่าการตลาดแบบ Multi โพลมัลติโ e ลเลเวลมาเก็ตเนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดในโลกอยู่แล้วนะครับในการสร้างในการสร้างธุรกิจที่เป็นธุรกิจแบบลงทุนตับนั่นหมายความว่าวันนี้มันมีการมันมีการบอกต่อมันมีการสร้างบิสเนสมันมีการมันมีการทำขยายมันมีการทาขยายฮะ ในรูปแบบของการหลักการทวีคูณนั่นหมายความว่าวันนี้คานผ่อนแรงของเราเกิดขึ้นมาจากการที่เราสร้างทีมมีองค์กรนะครับมีกลุ่มผู้ใช้งานเฉพาะของเราโซเชียลต้องมีคนใช้งานนะครับถ้าโซเชียลที่ไม่มีคนใช้งานไม่ไม่นับว่าเป็นโซเชียลนะครับเช่น Facebook ทํำไมคุณถึงชวนเพื่อนเล่น Facebook เพราะว่าวันนี้การชวนเพื่อนเล่นแสดงว่าคุณกําลังสร้างสังคมอยู่ใช่ไหมเหมือนกันนะคุณกําลังชวนเพื่อนเล่นเพจคิวคเพราะฉะนั้นคุณกําลังสร้างสังคมเพจคิวคของคุณ นะครับอีกหน่อยนะฮะเราจะมีในเรื่องของกล่องแชทอ่าคอมเมนต์ต่างๆหรือว่าสิ่งสิ่งที่มันรวบรวมทั้งหมดรวมมาอยู่ในเพจค q เลยคุณต้องการพื้นที่การโพสต์คุณต้องการพื้นที่การถ่ายภาพคุณต้องการพื้นที่การแชร์วิดีโอคุณต้องการพื้นที่การพูดคุยกันนะครับคุณต้องการพื้นที่การเขียนเว็บล็อกคุณต้องการพื้นที่ในการโฆษณาสินค้าคุณต้องการพื้นที่ในการทําอะไรต่างๆที่อยู่ในโซเชียลทุกอย่างจะจัดรวมอยู่ในเพจค q ทั้งหมดวันนี้มันเป็นเพียง คือถ้าใครมองภาพเล็กถ้าใครไปโฟกัสในเรื่องแต่ปัญหาเอ๊ะทาไมมันช้าจังเลยเอ๊ะทำไมมันนั่นมันก็ไม่ได้ทําไมวันนี้เข้าไม่ได้อีกแล้วทําไมมันอย่างนั้นอย่างนี้ครับคุณกําลังคุณกําลังตกหลุมพรางสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นปัญหาเทียมผมใช้ว่าปัญหาเทียมปัญหาแท้เป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้แต่ปัญหาเทียมเป็นปัญหาที่แก้ไขได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความความใหม่ความสดของตลาดเนี่ยมันมันมันใหม่นะครับ สิ่งหนึ่งที่เวลาเราเราเป็นผู้นำเราเข้ามาทำในชุดแรกๆเนี่ยเราอยากตกม้าตายกับปัญหาเทียมนะครับถ้าใครที่มาตั้งแต่ 1.0 นะครับ 1.0 เนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเป็นเวอร์ชันที่อืดมากเป็นเวอร์ชันที่ผมบอกเลยว่าถ้าเปิดเวอร์ชันนี้ไปตลอดแล้วแล้วเราจะมีคนเข้ามาทำเยอะๆนะด้วยระบบเร็วเลยนะไปไม่รอดแน่นอนมันจึงจำเป็นต้องมีการตัดสินใจ นะครับคุณเห็นไหมว่าบางครั้งการตัดสินใจที่มันใหญ่มากๆเนี่ยมันทําให้สิ่งที่ดีรอมาเสมอนะแล้วคนแล้วคนที่อดทนรอในช่วงทั้มมิ่งที่เราผ่านกันมาใช่หไหมฮะช่วงตั้งแต่วันที่11กันยายนนะครับจนถึงวันนี้นะครับที่ระบบเนี่ยมาถึง 2.0 แล้วอาจจะยังไม่ครบถ้วน 0% ้อาจจะยังมีช้าบ้างเลทบ้างผิดพลาดบ้างค้างบ้างเด้งบ้างนะฮะคือบางครั้งเนี่ยนะครับพวกนี้มันเป็นปัญหาเทียมคุณสังเกตไหมเมื่อวานเนี้ยเราเข้าได้เข้าไม่ได้บ้างแต่วันนี้ไม่มีแล้วนะ สังเกตัหยวันนี้ไม่มีแล้วแสดงว่าจริงๆแล้วปัญหาการเข้าได้เข้าไม่ได้เนี่ยมันเป็นปัญหาเทียมฮนะมันถูกแก้ไขได้ครับแต่บางครั้งปัญหาแท้คือคุณโฟกัสปัญหาแล้วคุณก็ยอมให้ปัญหาเนี่ยครอบงำคุณแล้วคุณก็อารมณ์เสียพอคุณอารมณ์เสียคุณก็ไม่เอาละไปดีกว่าแว็บมันห่วยแว็บมันกระจกมันช้าไม่ทันใจคุณลองนึกภาพนะจริงๆแล้วเนี่ย ผมใช้คําว่าปัญหาก็เป็นตัวคัดคัดกองคนที่จะทำงานกับคุณได้นะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะคุณคุณต้องเลือกฮะว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนเป็นคนที่โฟกัสปัญหาหรือเป็นคนที่มองเห็นว่าปัญหาคือโอกาสนะทุกทุกอย่างฮนะพ่อผมพูดเสมอนะครับว่าพ่อผมเราให้ผมฟังฮนะเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะเจ้าของเบียเบียช้างหรือเบียสิงเนี่นะฮะ บ, บางครั้งเนี่ย น้ำเนาะน้ำจํานวนมหาศาลนะฮะมันก็ถูกมันก็ถูกกั้นขวางด้วยเขือนะมันมันก็รอโอกาสฮ ะ, ท, ะที่จะที่จะที่จะทําให้เขื่อนแตกไปแล้วทลายทุกสิ่งทุกอย่างไปเขื่อนก็เหมือนปัญหาฮะบางครั้งเนี่ยคุณถูกปัญหาขวางหน้าคุณอยู่แล้วคุณก็ทําอะไรมันไม่ได้ใช่ไหมแน่นอนครับเมื่อมันทําไม่ได้มันก็ต้องรอทอามมิ่งฮะวันที่มันมีน้ํามากๆน้ๆํามากๆเข้าไหลแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้ น, นจนจนมีพลังมหาศาลแล้วเนี่ย ผมบอกะลรฮะปัญหาทั้งหมดจะถูกทลายเหมือนน้ำทลายเขื่อนนะครับคุณเก็บสะสมความเก่งกาจของคุณไว้นะครับคุณเก็บสะสมประสบการณ์คุณคุณเก็บสะสมในสิ่งที่ที่มันควรจะเป็นนะครับสิ่งหนึ่งฮะที่ทิศทางของเพจคิคิวนะฮะผมมองเห็นเลยนะครับคือในระดับของเวอร์ไว้นะครับเมื่อเมื่อเราดูในเรื่องเซิร์ฟเวอร์เราจะเห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราวางแผนที่จะววอยู่แล้วนะครับ เฟซบุ๊กไม่สามารถเข้าจีนได้เข้าได้ก็เพียงหลอมแหลมนะฮะแต่ลองนึกภาพนะเขาเข้า <ๆ S 2> ในประเทศที่มีอิทธิพลหรือมีประชาชนใหญ่ขนาดเป็นพันล้านเป็นเศษหนึส่วนสาของโลกไม่ได้เขายังร่ํารวยมหาศาลขนาดนี้แต่ตัวเพจคิวคฮะมันเป็นโปรเจกต์เขาฉลามมันเกาะไม่ได้ทุกอันแสดงว่าการเกาะไปทุกอันไม่ว่าเขาจะมีโซเชียลใดๆเราสามารถขอเกาะครับเกาะไปเลยฮนะไม่ทําแข่งกับใคร ถ้าใครมองภาพธุรกิจนะถ้าใครมองภาพธุรกิจนะผมมองภาพโซเชียลก่อนหนึ่งไ ม, ไม่แข่งกับโซเชียลใดๆนะครับที่ไหนมีโซเชียลไหนขอเกาะครับถ้ามองในภาพธุรกิจบางคนเนี่ยยังมองภาพธุรกิจว่าเพจยูคิมันก็อาจจะคล้ายๆกับธุรกิจใครตรงหรือเปล่าต้องไปแย่งทีมงานกันอย่างนั้นงนี้หรือเปล่าบางคนเนี่ยถ้าไม่เข้าใจนะฮะจะกลายเป็นว่าวันนี้เฮ้ยโอ้เนี่ยต้องไปแย่งทีมงานนี้มาอันนี้ต้องได้แม่ทีมมาอย่างนั้นอย่างนี้ผมบอกเลยฮนะเป็นความคิดของ ของของภาพเก่าๆภาพเดิมๆนะจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้คุณทำเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งตัวไหนอยู่ก็ตามจะขายสินค้าอะไรก็ตามหรือทำในเรื่องของเซอร์วิสใดๆต่า ง, างๆธรุรกิจอะไรก็ได้ฮะคุณสามารถใช้พื้นที่นี้ในการเล่นและโฆษณาหรือถ้าคุณมองภาพมันเป็นธรุรกิจคุณก็แค่สร้างธรุรกิจจากโมเดลของมนันแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ปิดกันนะ้นเพราะฉะนั้นฮะตรงนี้นะครับคุณอยากทาอะไรคุณทาได้เลยนะครับเพียงแค่อยู่ใน ในเงื่อนไขสักเล็กน้อยนะครับเช่นถ้าคุณถ้าคุณทําธุรกิจตัวหนึ่งอยู่ะคุณอยากทำเพจคิวด้วยนะครับคุณไม่เอาธุรกิจคุณมาโพสในเพจคิวคิวก็ได้คุณจะสร้างทีมงานคุณก็สร้างไอ้นี้ฮะแต่ขอร้องอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นคือเราเราเอาตัวเราใช่หมครัเข้ามาอยู่ในกลุ่มจากนั้นเราก็ไปไปชวนสมาชิกคนอื่นๆที่อยู่ในกลุ่ม ที่ไม่ใช่ทีมงานของตัวคนเองหรือไม่ใช่คนที่คุณรู้จักไปทําในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่คือบางครั้งเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเรื่องของมารยาทนะครับซึ่งซึ่งถ้าถ้ามันก็ไม่ได้ผิดนะฮะมันก็ไม่ได้ผิดแต่มันก็เป็นเรื่องของของของของความการะเทศะอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับนะฮะทีนี้นะครับผมบอกเลยฮะว่าทิศทางและอนาคตของ PayQq มันมันมันใส่แน่นอ น, นครับถ้าคุณเข้าใจในเรื่องของออโต้เพรส คุณเข้าใจในเรื่องของข้อกฎหมายคุณเข้าใจในเรื่องของวิชั่นคุณเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการในอนาคตคุณเข้าใจถึงว่าเงินหนึ่พเนี้ยของคุณสามารถแปลงเป็นเงินหลักล้านได้จากยุทธวิธีใดบ้างในการใช้งานนะครับคุณเคยคุณเคยคิดไหมว่าเงิน1นึ่พันบาทของคุณจะสามารถเติบโตแล้วงอกเป็นเงินหลักแสนงอกเป็นเงินหลักล้านได้จากธุรกิจออนไลน์แม้มันไม่เคยมีมาก่อนคุณไม่เคยคิดถึงด้วยซ้ําหรือแม้กระทั่งชีวิตคนบางคนฮนะ 20ปี30ปีสีป่ปี50ปีไม่เคยจับเงินล้านด้วยซ้าหรืออาจจะเคยจับแต่ไม่เคยงอกเงยได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วเราก็มีภาพผมใช้คำว่าภาพเลยนะภาพเดิมเสมอคือคุณต้องลงทุนเป็นหลักล้านคุณถึงจะได้หลักแสนคุณต้องลงทุนเป็นหลักแสนคุณถึงจะได้หลักหมื่นคุณต้องลงทุนหลักหมื่นถึงจะได้หลักพันพอคุณมาเจอการลงทุนหลักพันผ่านช่องทางโซเชียลในดเวิร์กซึ่งคุณไม่เคยเจอมาก่อน คุณก็ออจตกใจแล้วคุณก็คิดว่ามันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วผมพ r o ู f นะครับพูตั้งแต่เรื่องของวิชั่นนะครับพูในเรื่องของของขอ ง, ขอ ง, ของแผนการตลาดพ r o ูจ ค, คือพิสูจนคือพิสูจน์นะฮะผมพิสูจน์แล้วครับวิชั่นนี้แน่นอนนะ้ไปไกลเพราะเราเป็นนักมาร์เก็ตติ้งครับเราเราเราเราเห็นจากวิชั่นของตัวเราเองด้วยถ้านักการตลาดคนไหนที่มองออกนะฮะผมจะบอกเลยว่าพวกคุณกระโดดเข้ามาทาตรงนี้อย่างไม่ต้องลังเลเลยครับ เพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของแพลตฟอร์มการตลาดตรงนี้ผมบอกนะครับว่าเงินมหาศาลมากนะครับทีนี้นะฮะเราเร า, เราพิสูจน์ด้วยวิสัยทัศน์ของเราและเราก็พิสูจน์ด้วยตัวเลขฮะแน่นอนครับตัวเลขมันไม่โกหกผมพูดเสมอตัวเลขไม่เคยโกหกเป็นความจริงจากพระเจ้าคุณลิสเลยฮะรเรื่องรายได้ข้อ1นถึงหข้อไหนจ่ายไม่ได้บ้างมาบอกด้วยนะครับตัวเลขฮนะถูกกดถูกคำนวณไปไม่รู้กี่สิบยีรอบแล้ว ก่อนที่เราจะกระโดดทำเราไม่ใช่เห็นปุ๊บแล้วเราทำเลยเราต้องมีการคำนวณครับมันถูกคำนวณมานลฮะ 1. ต้องไม่โอเวอร์เพย์ครับแน่นอนฮะแผงกระดาษต้องต้องไม่โอเวอร์เพย์ครับ2คือจ่ายได้ทุกข้อนะครับจ่ายได้ทุกข้อเลยครับแสดงว่าข้อหนึ่งี่ห้าต้องจ่ายได้ทุกข้อจากเงินที่ถูกหมุนเวียนอยู่ในระบบนะครับเราถูกพ r o ูจด้วยโลจิกครับนะฮะในเรื่องของข้อกฎหมาย ถูกต้องตามกฎหมายไหมนะครับมีการจ่ายภาษีถูกต้องไหมนะครับเป็นในเรื่องของการการพิูจในเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับคนด้วยเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงด้วยนะฮะว่ามันถูกต้องไหมนะครับมันถูกมันถูกพิสูจน์ไปแล้วนะฮะในเรื่องนี้แล้วสุดท้ายนะมันถูกพิสูจน์ด้วยผลลัพธ์มันถูกพิสูจน์ได้ผลลัพธ์นะครับถ้าวันนี้มีใครทำเพจ q ินะครับแล้วไม่ได้เงินนะครับผมใช้คําว่าก็มีผู้เสียหายนะครับสามารถฟ้องร้องได้เลย ถ้าคุณทําแล้วคุณไม่ได้เงินนะแต่เงื่อนไขนะคุณต้องทําให้ถูกวิธีด้วยนะครับเช่นบางคนเนี่ยมาคุยกับผมทีงานมาคุยกับผมเนี่ยพี่กดเงินแล้วเนี่ยมีอยู่เนี่ยอยู่ในกล่องคิวอะ่ะมีอยู่50คิวทําไมกดออกมาแล้วได้แบบ3 400อยยังไงคุณกดถอนออกมา5คิวแบบเนี้ยคุณก็ได้เท่าไหร่2องรคุณกดถอนมาสิบคิวอย่างเงี้ยคุณไม่ได้กดถอนออกมาทั้งหมดหรือว่าบางคนยังใช้งานไม่เป็นเลยแบบนี้ฮะก็มาบอกว่า กดเข้าไปในช่องคอนเทนต์แล้วมันขึ้นอันเดอร์คอนแทคชั่นเว็บปิดหรือเปล่าอย่างเงี้ยนฮะผมต้องบอกยืนนะว่าเพจ q q มันไม่เคยปิดเลยนะมันมีแค่ในช่วงของอัปเดตซิสเต็มแค่นั้ น, นะฮะมันไม่มีแผนที่จะปิดและไม่มีนโยบายที่จะปิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนสื่อสารด้วยความมั่นใจนะฮะว่าเว็บมันจะไม่ปิดนะครับมันจะปิดก็ต่อเมื่อนึงผมใช้คาว่า อาจจะไม่มีคนดูปโปรแกรมแล้วอาจจะไม่มีคนใช้โซเชียลนี้แล้วนะฮะหรือไม่มีใครโพสเลยนะครับหรือผมใช้คาว่าแผนโอเวอร์เพย์ซึ่งมันก็ไม่โอเวอร์เพย์น ะ, ะไอ้มสี่อย่างที่ผมพูดมาเมื่อกี้ผมบอกเลยนะว่า <c oughs> ไม่เกิดขึ้นจริงเออ ม, ม, ม, มันถูกพิสูจน์ไปแล้วนะทีนี้นะผมผมพิสูจน์ด้วยรายได้ด้วยผมพิสูจน์ด้วยผลลัพธ์นั่นหมายความว่าวันนี้ ถ้ามีคนกดเงินออกจากเพย q คิวแล้วเงินเข้าบัญชีในธนาคารได้แสดงว่าแน่นอนฮนะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ด้วยหลักความจริงนะครับมันมีคนที่ได้รายได้เยอะมหาศาลค่าวิวฮนะเพิ่งออกไปนะครับต่อให้มันช้าขนาดไหนแต่บอกเลยคว่าเขาผมใช้คาว่าจุดมุ่งหมายมันถูกมันถูกอะไรอนะ่ะมันถูกมันถูกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว จุดมุ่งหมายมันถูกมันถูกพิสูจน์ไปแล้วว่ามันจ่ายจริงมันอาจจะช้าบ้างเพราะว่าเราเพิ่งผ่านอัปเดตโครงสร้างใหญ่มาใช่ไหมแต่ถ้าคุณเห็นว่าผมใช้คำว่าอะไรดีล่ะเจตนาคือเจตนาของ CEO คุณโอแบบนี้เขาเป็นคนเจตนาดีทำไมเขาถึงทําแบบนี้น ะ, ะคำถามก็คือว่าตัวเราเจตนาแบบไหนมากกว่านะะบางคนยังกลัวถูกโกงอยู่เลยบางควับางคนยังแบบผมพูดผิดนะฮะเมื่อกี้นะฮะ บางคนฮะไม่ใช่บางควยนะฮะบางคนนะครับนะฮะขออภัยนะฮะบางคนเนี่ยนะครับยังเจตนาที่จะแบบว่าอยากจะอยากจะแบบคนไทยก็แปลกนะคนไทยอยากจะโกงอ่ะคนไทยอยากจะโลภอ่ะคนไทยอยากจะแบบอยากจะหาช่องทางที่มันแบบคือนิดนิดหน่อยๆน่อยคือกูเอาหมดอ่ะนึกออกไหมฮะเช่นที่ผ่านมานะฮะที่มันเป็นประเด็นกันเลยนะครับในเรื่องของการการโพสต์ในเรื่องของของ ของพระบรมฉายาลักษณ์นะฮะในทุกพระองค์เลยนะฮะผมต้องบ อ, อกอยี้ก่อนว่านะครับเราเราเราอยากเราอยากคิดในเรื่องของของการที่มันผมใช้คำว่าอะไรเซนซิทีฟเลยดีกว่าในเรื่องของพระมหากา ษ, าษาัตริย์นะครับในเรื่องของการเมืองนะฮะในเรื่องของศาสนานะครับคือมันถูกพ่วงด้วยธุรกิจเพราะมันถูกพ่วงด้วยธุรกิจบางครั้งคุณก็อยากหาเงินจากสิ่งเหล่านี้ที่คนติดตามที่คนอ่อนไหวง่าย คือจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับเจตนาของคุณนะคุณมีเจตนาแบบไหนนะครับบางคนอาจจะเป็นเจตนาดีนะฮะบางคนอาจจะเป็นเจตนาไม่ดีนะครับบางคนอยากจะทําเพื่อเงินอย่างเดียวก็มีนะครับเจตนาดีมันมันมันก็โอเคนะครับแต่ว่ามันเพียงแค่ไม่เหมาะสมนะฮะผมผมไม่ได้กล่าวโทษใครนะครับโอเคนะฮะผมคิดว่าคงคงคงเห็น คร่าวๆบ้างแล้วนะครับสำหรับท่านใหม่ด้วยนะครับที่เข้ามาในเรื่องของทิศทางเพ Q นะครับเรากําลังอยู่ในทิศทางที่แบบไรเวนะไรเวก็คือเส้นทางที่สามารถพาคุณไปถึงจุดที่คุณอยากต้องการได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายได้นะครับคุณได้จับเงินทุกวันนะคุณเห็นคิวขึ้นมาในระบบคุณทุกวันเนี่ยต่อให้คุณนะตอนนี้คุณอาจจะยังไม่ถอนก็ได้แต่คุณมีเงินเข้ามาในระบบทุกวันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณรู้แน่ชัดเลยนะคือคุณน่ยได้เงินละพอเวลาคุณเห็นผลลัพธ์ คุณสังเกตไหมคุณเห็นผลลัพธ์คุณก็จะมีความเชื่อมากขึ้นเพราะคุณเชื่อมากขึ้นคุณก็จะทํามากขึ้นเพราะคุณทํามากขึ้นคุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นนะครับผมใช้หลักการนี้ตลอดนะดูนะฮะเขาเรียกว่า C B do h a n d นะฮ ะ, นะฮะโอเคนะคร C B do h a n d ครับ C คือเห็นเห็นอะไรฮนะเห็นเห็นเห็นว่ามันเป็นไปได้ เห็นวิชั่นเห็นผลลัพธ์ของของผู้ที่ทํามาก่อนเราแล้วคุณก็เห็นได้ว่าคุณเนี่ยสามารถทําได้นะครับพอคุณเห็นคุณก็เชื่อฮะบีบีลีฟฮะเห็นครับเห็นแล้วก็เชื่อครเห็นแล้วก็เชื่อนะครับพอคุณเชื่อเนี่ยนะครับคุณเชื่อจากอะไรล่ะคุณเชื่อจากผลลัพธ์ที่คุณได้มานะครับคุณก็ลงมือทำฮะคุณเชื่อจากจากคำพูดคุณเชื่อจากข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ย พยายามอย่าเชื่อจากการโมดิเวตให้คุณเชื่อจากข้อเท็จจริงที่คุณมองเห็นจริงๆในโลกยุคนี้มันไม่มีใครมาหลอกคุณนะครับมีคนมาถามผมนะว่าหลอกทําไมคุณหลอกหรือเปล่าเนี่ยคำถามมึงมีอะไรให้กูหลอกวะจริงไหมบางคนนะคือคือเราก็อยากจะช่วยเขานะมองดูแล้วเนี่ยมึงโปรไฟล์มึงไม่มีอะไรเลยฮนะนึกออกไหมฮนะเป็นเป็นทํางานแบบอันนี้อันนี้คือไม่ได้ดูถูกนะแต่คือคุณทํางานแบบคือผมอยากจะช่วยเขาจริงจริงอ่ะ แล้วก็คิดว่าเราอ่ะไปหลอกคำถามคือมึงมีอะไรให้กูหลอกปะกูจะต้องหลอกเอาเงิน500ยกับมึงเนี้ยนะนะ ค, คือคนส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งนะฮะเขาก็ไม่ได้เห็นโอกาสเสมอไปหลอกเป็นเรื่องปกติแต่วันนี้เราทำดีที่สุดแล้วคือเราให้โอกาสเขานะครับเงิน500ผมบอกเสมอฮะเงิน500เป็นเพียงทางผ่านเป้าหมายจริงๆของคุณคือแพสซีฟเดือนละ6ล้านต่างหากนะครับนี่คือของจริงนะครับทีนี้ฮะ คุณเห็นคุณเชื่อคุณก็ลงมือทําเมื่อคุณทําแน่นอนคุณได้ผลลัพธ์แน่นอน have คือผลลัพธ์ C B do h a v e ที่ผมใช้งานนะครับเมื่อคุณได้ผลลัพธ์แน่นอนคุณเห็นผลลัพธ์คุณมากขึ้นใช่ไหมคุณก็มีความเชื่อที่มากขึ้นคุณมีความเชื่อที่มากขึ้นคุณก็ลงมือทํามากขึ้นคุณลงมือทํามากขึ้นคุณก็ได้ผลลัพธ์มากขึ้นเป็น Circle คิ C B do h a v e นะครับเป็นเป็นอะไรที่ผมสามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันได้แทบจะทุกๆอย่าง เมื่อคุณมีความเชื่อมากขึ้นคุณก็ลงมือทํามากขึ้นคุณลงมือทํามากขึ้นคุณก็ได้ผลลัพธ์มากขึ้นผลลัพธ์เป็นตัวพิสูจน์ทุกอย่างใครมาดูถูกคุณโอหมันจะได้จริงเหรอหนึ่งพันเนี่ยมันหลอกหรือเปล่าคุณลองทําเนี่ยคุณชวนเพื่อนสองคนคุณมีเงินเข้าในกระเป๋าคุณกดเงินออกมาเซ็นเตอร์โอนให้คุณเข้าในบัญชีคุณปุ๊บข้อเท็จจริงครแสดงว่าเงินเข้าจริงๆริงนะคำพูดบางครั้งเนี่ยนะครับเราก็ชอบเชื่อข้อคิดเห็นนะครับ อย่าเชื่อข้อคิดเห็นจงเชื่อข้อเท็จจริงจงเชื่อหัวใจตัวเองตรงจงพิสูจน์ด้วยการกระทำก่อนนะฮะบางครั้งคุณอยากจะเข้ามาทำแล้วคุณก็หวังผลประโยชน์จากคนอื่นคุณรอในการที่จะมีทีมงานโยนลงให้โดยที่คุณยังไม่ได้ศึกษาอะไรพวกนี้เลยคุณเห็นว่ามันเป็นไปได้คุณเห็นว่ามันง่ายคุณก็ไม่ศึกษา แต่ถ้าคุณศึกษาคุณจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วมันง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นอะไรข้อที่1มายังไงนะครับจ่ายตอนไหนข้อที่2มาแบบไหนจ่ายตอนไหนได้จากใครบ้างนะฮะข้อที่3มคิดยังไงข้อที่4ี่คิดยังไงนะฮะเรื่อง View Content ข้อที่5กับเป็นเซนเตอต้องมีเงื่อนไข ย, ยังไงบางคนฮนะยังถามตอมอยู่เลยว่าพี่เนี่ยผมมีวิ ew ประมาณ3 4มสี่หมื่นวิวแล้วทําไมยังไม่ออกสักทีแต่คุณมาถามตอนกลางเดือนเน่ยมาจออกได้ไงมันออกแค่เดือนละครั้งใช่ไหมฮะมันคิดต้นเดือนถึงปลายเดือนครับแล้วมันก็ไปออก ในเดือนถัดไปนะครับมันออกแค่เดือนละครั้งแต่รายได้ข้อหนึ่งถึง3ออกทุกวันคือคุณก็ต้องรู้คุณต้องศึกษาก่อนนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของข้อกฎหมายหรือแม้กระทั่งวิธีการใช้งานพ <ๆ S 1> ี่เนี่ยทำไมผมแนบสลิปไม่ได้เลยทําไมผมผมโพสต์รูปภาพไม่ได้เลยนะฮะแต่โลโก้ลายจ๋าเลยนะฮะไปเปิดจากไลน์ไลน์ไม่ใช่เบราว์เซอร์นะฮะ ค, <ๆ S 2> คือคุณไม่ได้ศึกษาการใช้งานนะครับคือคุณอยากทำทำทำทำทำนะครับหรือแม้แต่กระทั่งบางคาถามที่ไม่สมควรจะถามเช่น อะไรอะ่ะมันมีอยู่น ะ, ะคําถามที่ไม่สมควรจะถามผมเนี่ยเช่นพี่ชั้นที่21เอ็แล้วได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะนึกออกไหมฮะหรือแม้แต่กระทั่งแบบว่าสมมติว่าทีมงานเราไปแนะนําเพื่อนเราแล้วเราจะไ ด, เะได้เราจะได้ค่า500นี้ด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ย ค, คือคือคือมันต้องเข้าใจะครับนะครับหรือแม้แต่กระทั่งในการใช้งานแบบนี้ครับบางคนยังยังแบบเข้าเพจคิวควไม่เป็นเลยอะ่ะนะฮะไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกทีมงานสอนมาก่อนนะครับ การการที่เราเข้ามาใช้งานตัวเพจ QQ วคิวผมอยากจะให้ทุกคนเวลาเชิญเชิญยูเซอร์เข้ามาใช้งานผมอยากให้สอนการทํางานเขาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าใช้ระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่มาของรายได้นะครับอยากให้คุยกันนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเรื่องการแนงสลิปอย่างเงี้ยฮะแฝงสลิปทำไมถึงบางคนถึงอนุมัติช้านะครับคือในเรื่องของสลิปเนี่ยผมต้องบอกอย่างเี้นะว่า เซ็นเตอร์นะครับคือบางครั้งคุณอาจจะมองว่าภาพมันง่ายเนาะคือแค่โอนเงินไปแล้วแนีสลิปมันก็ได้แล้วใช่ไหมฮะผมบอกเลยฮะว่ามันมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนที่คุณคิดนะฮะในเรื่องการทำงานของเซ็นเตอร์หนึ่งเลยนะครับเซ็นเตอร์เขาต้องอ้างอิงนะครับสลิปของคุณเนี่ยหนึ่งเลยนะฮะคือวันที่วันที่นะฮะสองเวลา ตัวนี้เลยนะสำคัญเลยนะหนวันที่กับเวลานะครับ2ตัวนี้จําเป็นที่จะต้องตรงกันเลยนะคือตรงกันเลยนะครับกับตัวที่เข้าบัญชีเซ็เตอร์ฉะนั้นเนี่ยเวลาบางครั้งที่คุณโอนต่างธนาคารหรือคุณโอนจากอินเทอร์เน็ตวันที่มันไม่ค่าเคลื่อนแต่เวลามันค่าเคลื่อนไนงะตัวสําคัญที่สุดเลยคือเวลาฮะเวลาในการโอนต้องตรงเลยนะผมใช้คำว่าต้องตรงเลยนะและทีนี้ถ้ามันไม่ตรงทําอะไรล่ะให้มันรีเช็คง่ายขึ้นรหัส T H คิวของคุณหรือว่ารหัสยูเซอร์ของคุณน่ะนะฮะให้คุณเขียนเข้าไปแล้วอีกตัวหนึ่งที่ช่วยได้ผมเน้นย้ำเลยนะตัวที่4นะครับที่จะเข้ามาช่วยในการที่ต่อให้วันเนี้ยเวลาของคุณไม่ตรงใช่ฮะเขาจะดูตัวที่4ก st ็คือสมมุติว่าคุณรหัส thq อ่าลงท้ายด้วย 1, 2, 3สมมุตินะสมมตินะคุณรหัสนี้ เวลาคุณโอนเงินน่ปกติคุณโอน 1,000 พันใช่ไหมครับคราวนี้ในการที่จะทำให้มันง่ายขึ้นคุณฟังใหดีนะถ้าคุณรหัสคุณรหัสใดๆก็ตามเนี่ยให้ให้บอกสมาชิกเลยครับว่าให้โอนนะฮะแล้วมีจุดจุดทดจุดทนิยมนะฮะเป็น2ตํตำแหน่งท้ายเช่นเวลาคุณจะโอนนะฮะคุณก็โอน 1,000 จุดสสสตางค์คือบางคนเนี่ยพอเห็นแบบนี้เฮ้ยมีอะไรแฝงหรือเปล่าวะ ไอเนี่ยโหถ้าแสนคนนะบริษัทได้กําไรเป็นโอ้โหอย่างนี้เลยนะฮะไม่เซ็ตเลยนะไม่เซ็ตเลยนะฮะเรื่องนี้23สตางยี่สสตางค์ครับกับการแลกให้การดำเนินการมันง่ายขึ้นมากสุดก็99สตางคนะ์เนาะใครที่รหัสลงท้ายได้99อาสิบเก้าติสวา1บาท หบาทกับการที่คุณสามารถทําให้เซ็นเตอร์ทํางานง่ายขึ้นหนึ่งบาทกับการที่คุณทําให้สมาชิกของคุณนะฮะมีมีความมั่นใจมากขึ้นในการแอปพูบรหัสที่เร็วขึ้นหนึ่งบาทที่ทําให้คุณนะฮะโอนธุรบัญชีของคุณเร็วขึ้นครับแน่นอนเมื่อรหัสแอปพูบเร็วขึ้นทีมงานมีรายได้ครับแน่นอนฮะเพราะฉะนั้นครับผมอยากจะส่งต่อว่าเอการทํางานที่ง่ายขึ้นนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับข้อกําหนดเนี้นะครับบริษัทเขาไม่ได้กําหนดหรอนะครับ แต่ผมอยากจะให้ทุกคนแฮปปี้ในการทํางานนะครับคือใครจะเห็นด้วยผมก็ได้นะผมก็ไม่ได้ว่านะฮะใครที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องโอนก็ได้ ค, คุณก็โอนไปหนึ่งพันะครับแต่ใครที่เห็นด้วยกับตรงเนี้ที่เซ็นเตอร์ทํางานแล้วมันทํางานง่ายขึ้นที่ที่คุณเห็นทีมงานของคุณฮนะมีการมีการทํางานได้รวดเร็วขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นผมบอกเลยครับว่าส่งต่อวัฒนธรรมนี้ไปก็ได้ มันไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายนะครับมันมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาคิดกังวลว่าเฮ้ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยถ้าบริษัทได้สักแสนคนก็ต้องได้ส0 0 0มกว่า30 0 0 0ืกว่าถ้าล้านคนได้เท่านั้นเท่านี้คุณเช่ไหมว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากได้หรอกครับต่อให้มันได้จริงๆนะเดี๋ยวผมบอกเลยเขาก็หาวิธีการที่จะเอามาคืนพวกคุณให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นฮะถ้าใครทําได้ทําเลยนะครับพยายามโอนนะฮะ ให้ให้มีจุดทอนสยมเป็น2ตัวท้ายของรหัสของคุณนะครฝากบอกทีมงานใหม่ด้วยนะฮะสมมุติว่ารหัสคุณเนี่ย T H Q แล้วลงท้ายด้วย23คุณก็โอนหนึ่งพไปเถอะนะครับใ ห, ให้มันทํางานง่ายขึ้นถ้าเวลานะดูนะฮะถ้าเวลามันไม่ตรงในสลิปเซนเตอร์อ้างอิงจากไหนฮะอ้างอิงจากจากจนวนเงินที่โอนเข้ามานะครับอ๋อเนี่ยรหัสนี้โอนเงินเข้ามาเอ้ยแต่เวลาไม่ตรงฮนะมานั่งดูก่อนว่าโอนเงินเข้ามาจํานวนนี้จริงไหมนะครับเขาก็จะ a p p r o v รหัสได้ง่ายขึ้น เวลามันใกล้เคียงกันนะมันอาจจะไม่ตรงกันเป๊ะจะเน้นย้านิดนึงนะครับในเรื่องของการโอนจากจากพวกทรูมันนี่นะครจากพวกธนาคารออนไลน์อย่างเงี้ยเวลาโอนในเว็บเนี่ยบางครั้งมันโอนข้ามวันนึกออกไหมมันโอนจากวันนี้สมมติวันนี้ Today นะคุณโอนวันนี้แต่มันไปเข้าบัญชีเซ็นเตอร์วันพรุ่งนี้ to m o r ์ o w มันไปเข้าบัญชีพวกนี้เวลาตอนไหนก็ไม่รู้พอเวลาไปรีเช็คบอก ประมาณ 17.00 นสมมติ น, นะฮะประมาณ 17.00 นแต่เข้าจริงแบบ 17.30 อะไรเงี้ยเซ็นเตอร์เขาอนุมัติยากมากนะฮะคือต้องไปหากันนะฮะแล้วทีเนี้ยบอกผมบอกเลยไม่ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า7วั น, นในการมานั่งหาพวกเนี้ยทาเลยครับ1 0 0 0 x จ X ของคุณเนี้ยง่ายขึ้นนะฮะแล้วพยายามใช้ธนาคารที่ที่ที่เป็นที่เป็นแมสเช่นกสิกร คุณรู้ใช่ไหมครับว่าวันนี้การทําธุรกิจของคุณอะถ้ามันจะง่ายคือมันต้องตรงกันเช่นคุณรู้ว่าเซ็นเตรอร์ใช้กาสิกรแล้วคุณกําลังจะทําคุณกําลังจะทําเงินจากธุรกิจเนี้ยคุณคุณต้องเข้าใจพ้อยก่อนนะคุณกําลังจะทําเงินจากธุรกิจเนี้ยนะครับเซ็นเตรอร์ใช้กาสิกรคุณก็ไปใช้กาสิกรก็ได้เวลาโอนโอนผ่านนี่ก็ได้ฮะอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งง่ายๆเวลาตรงกันเป๊ะเลยนะครับ คุณโอนผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยของกสิกรเนี่ยเวลามันจะตรงกันเป๊ะเลยแล้วเวลาที่เซ็นเตอร์โอนเงินเข้าบัญชีคุณเนี่ยเขาก็โอนง่ายด้วยเพราะเขาก็โอนผ่านกสิกรเงิเนมันจะเข้าทันทีนะครับทีนี้นะฮะคือถ้าถ้าเราถ้าเราทำให้มันง่ายนะครับเขาก็จะทำงานให้เราง่ายขึ้นนะครับ ในเรื่องการดําเนินการเนี่ยนะครับอีกหน่อยผมใช้คําว่าอีกหน่อยนะครับมันจะรวดเร็วทันใจคุณมากขึ้นนะฮะต่อให้คุณไม่ทําเหมือนที่ผมพูดนะมันก็จะดําเนินการเร็วมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ทีมงานมีความเชื่อมั่นในเรื่องของระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบสิสต์เมนะครับตัวเว็บเองก็ตามนะครับหรือแม้แต่แบบกระทั่งตัวการทํางานของผู้นำเซนเตอร์ Center, ระบบรายได้ระบบการเงินระบบการโพสต์คอนเทนต์ระบบกา ร, รบบกา ร, การคันคิดวิวต่างๆนะฮะเราต้องการให้เกิดความเชื่อมั่นที่มากที่สุดนะครับ แต่สิ่งสําคัญก็คือคุณต้องเข้าใจด้วยนะฮะว่ามันมันใหม่นะครับบางครั้งมันอาจจะอาจจะไม่อาจจะไม่ตอบสนองความต้องการคุณอย่างมากที่สุดหรอกนะครับคือคือคุณสังเกตไหมพอเวลาเรามีปัญหาหนึ่งพอเราเคลียร์ปัญหานี้ได้มันก็มีปัญหาใหม่เสมอนะครับปัญหามันไม่มีสิ้นสุดหรอกครับมันอยู่ที่ความพึงพอใจแต่ละคนนะครับแต่เราเราก็ถามแล้วล่ะนะครับในเรื่องของการตอบสนองความต้องการมันจะตอบสนองความต้องการทั้งหมดนะครับทีนี้นะฮะ ในเรื่องการโอนเงินการอนุมัติเนี่ยนะครับอันนี้ผมผมขอเน้นย้ํำนิดนึงนะฮะปกติแล้วเนี่ยในการโอนโอนถ่ายสลิปต่างๆนะครับหรือแม้แต่ขัาการอนุมัติรหัสนะครับจะใช้เวลาดําเนินการถ้าเป็นปกติผมใช้คํานี้ก่อนนะถ้าเป็นปกตินะครับแล้วมีเซ็นเตอร์ทํางานปกติเนี่ยนะครับมันจะไม่เกิน48ชั่วโมงนะครับแต่เรากําลังอยู่ในช่วงที่มันมันต้องเพิ่มตรงนั้นมันต้องจัดการตรงนี้นะฮะ บ, บางครั้งเซ็นเตอร์เขาอาจจะทํางานช้าบ้าง นะครับหรือมีการเดินทางอย่างนี้เซ็นเตอร์ไม่สามารถทํางานได้นะฮะคือผมอยากจะให้ทุกคนนะฮะมีมี EQ นิดนึงในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของการบริหารอารมณ์ในเรื่องของความความความอดทนนะครับหรือการสื่อสารกับทีมงานเหตุผลที่เซ็นเตอร์ไม่อนุมัติเป็นเพราะอะไรบางคนเนี่ยทำไมถึงไม่อนุมัติสักทีโอนเงินมาก็จริงครแต่ไม่แนบสลิปทำไมถึงไม่อนุมัติสักทีใช่ฮะมีวันที่แต่ไม่มีเวลา <บ Drag. S 1> นะครับหรือบางคนเวลาไม่ตรงอย่างเงี้ยบางคนโอนจากทูมันี่อะไรี้ มันไม่ตรงจริงฮะมันอนุมัติให้ไม่ได้นะครับเซนเตอร์เขาไม่สามารถอนุมัติให้ได้นะครับแล้วไม่ต้องส่งมานะฮะในเรื่องของบางครั้งเนี่ยคุณเพิ่งสมัครเสร็จปุ๊บคุณแนบสลิปเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็เอารหัสของยูเซอร์ทีมงานของคุณส่งมาให้เซนเตอร์อนุมัติไม่ต้องไม่ต้องส่งมานะฮะตามกระบวนการคือ48ชั่วโมงนะครับโอเคนะฮะเราจะไม่มีวัฒนธรรมในเรื่องของการมาแบบเส้นสายนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่เคยใช้เส้นสายอะไรนะครับในเรื่องของการทํางานนะครับโอเค นะฮะการถอนเงินนะครับเดี๋ยวไม่น่าจะประมาณวันนี้พรุ่งนี้นะครับในเรื่องของการถอนเงินนะครับน่าจะถอนครั้งที่2ได้แล้วนะครับตอนนี้ถ้าถ้าถ้าใครเคยถอนเงินแล้วมันจะคาอยู่ใช่ไหมฮะคือโอมผมคุยโอมแล้วนะครับเขาต้องการจัดในเรื่องของวิวให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนนะฮะมันออกมาแต่มันจะเพิ่มวิวให้อีกนะครับเขาก็เลยจัดการให้เสร็จก่อนนะฮะแล้วก็จะเปิดให้ถอนแล้วนะครับโอเคฮะทีนี้มาในเรื่องของเวอร์ชั่นนิดหนึงนะครับ แต่ก่อนเรามี็น 1.0 ใช่ไหมครับ 1.0 ก็งูปลาเตะไถ่ๆนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ 2.0 แล้ว 2.0 เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนเชื่อมั่นก็คือในพื้นที่ของการรองรับนะครับบางครั้งเนี่ยคุณในช่วงต้นๆเนี่ยเมื่อมันยังไม่สเสถียรมากเนี่ยบางคนเนี่ยชอบอารมณ์เสียผมก็ไม่รู้ว่าจะอ า, อารมณ์เสียทําไมนะคือคุณอาจจะอารมณ์เสียเพราะคุณอาจจะล็อกอินตอนนี้ไม่ได้ คุณอาจจะกังวลในเรื่องทําไมรหัสถึงไม่แอนุมัตสักทีนะฮะคุณอาจจะกังวลในเรื่องของผังทํำไมถึงไม่เปลี่ยนสีสักทีนะครับผมเข้าใจนะครับคือบางครั้งเนี่ยนะฮะอย่าไปโฟกัสในเรื่องเหล่านี้มากเกินไปผมบอกแล้วมันเป็นปัญหาเทียมนะครับอย่างบางคนนะฮะทักมาแต่เช้าเลยพี่ผังทําไมยังเป็นสีส้มอยู่เลยนะครับพอตกบ่ายเปฮะก็กลายเป็นสีน้ําเงินแล้ว มันมันมันมีกระบวนการมันอยู่นะฮะมันมีทามมิ่งของมันนะครับไม่ต้องไปกังวลนะฮะขอให้คุณคิวเข้านะครับขอให้เขาสมัครจากยูสเซอร์เนมสปอนเซอร์ของคุณคือลิงก์ของคุณจริงๆนะครับมันเข้าไปที่คุณแน่นอนนะครับแล้วไม่ต้องกังวลนะครับในเรื่องของความเชื่อมั่นนะฮะผมผมเชื่อมั่นในตัวคุณโอมนะครับผมเชื่อมั่นในตัวทีมงานทุกๆท่านนะครับในตัวในตัว ในตัวทีมโค้ชของผมนะครับว่าทุกคนนะครับสามารถนำพาความรู้ต่างๆเหล่านี้ไปยังทีมงานของทุกท่านได้นะครับหลายๆท่านนะฮะเป็นเป็น e r One ของธุรกิจมาบางท่านเนี่ยเก่งมากเลยในเรื่องของ IT ทนะครับบางคนเนี่ยมองเห็นวิชั่นแล้วก็มีผมใช้คาว่ามีแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่มากคือมองเห็นว่าเขาจะทำเงินจากตรงนี้ได้ยังไงบ้างแล้วเขาก็ทำอย่างถูกต้องนะครับ คุณเอาความเก่งในธุรกิจที่คุณเคยทํามาคุณอาจจะเคยล้มมาเคยได้เจ๊งมาแต่สิ่งหนึ่งที่คุณได้ที่คุณไม่ขาดทุนนะคุณอาจจะเคยขาดทุนเรื่องเงินแต่คุณไม่เคยขาดทุนเรื่องประสบการณ์และความรู้นะครับจงเอาความรู้ประสบการณ์ที่เคยทํามาในธุรกิจที่คุณเคยทำนะครับคุณอาจจะสําเร็จอยู่หรือคุณอาจจะไม่เคยสําเร็จมาเลยแต่คุณเคยผ่านการ education มาต่างๆการคอร์สแคมป์ต่างๆที่คุณเคยทํามาคุณอาจจะเคยได้ผลลัพธ์บ้างผมบอกเลยนะว่าคุณเอาความสามารถของคุณ คุณเอาสิ่งที่คุณอยากจะได้คุณเอาความฝันของคุณมาวางไว้ที่ตรงนี้ได้แล้วคุณก็ทําอย่างถูกต้องทําอย่างเข้าใจทําอย่างส่งต่อทําด้วยทําด้วยความเข้าใจแล้วมันจะมันจะมีผลลัพธ์ะผมให้ควาว่ามีผลลัพธ์จริงๆนะมันไม่ได้มันไม่ได้ยากเลยมันชวนคนง่ายมากเพราะมันลงทุนต่ำมันไม่มีแผนการตลาดที่ซับซ้อนเพราะมันถูกคิดค้นด้วยคนธรรมดามันไม่มีแผนที่จะมากักรายได้เพราะว่าต่อให้วันนี้คุณสมัครเข้ามาคุณก็ได้เงินเลยฮะเมื่อรหัสอนุมาติ นะครับมันไม่ต้องมารอจับคู่ะ ม, มันไม่ต้องมารอแบบสร้างทีมบาลานซ์นะ ค, คือคือมันเป็นอะไรที่ง่ายเป็นอะไรที่แมสและเข้าถึงทั้งหมดนะครับโอเคนะฮะผมก็นะครับคงคงคงพูดในเรื่องนี้ด้วยนะฮะอยากอยากจะให้ทุกคน ม, มีมีในส่วนของ mindset เรื่องนี้นะฮะวิธีคิดของคนสำเร็จนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะติดนิสัยนะครับในเรื่องของการเช่น พอเราไม่พอเราไม่พึงพอใจพอเรารู้สึกว่าเราไม่พอใจเนี่ยนะครับเราก็จะรู้สึกหมุดหงิดคือสังเกตไหมว่าคนไทยอารมณ์เสียง่ายอากาศมันอาจจะร้อนด้วยก็ได้นะนะครันอากาศมันอาจจะร้อนช่วงนี้นะฮะมันก็เลยอารมณ์เสียง่ายพอไม่ได้ตั้งใจพุ๊ก็หงุดหงิดพอหงุดหงิดปุ๊บคุณก็โอบเวกวายมันไม่ทําอะไรให้ดีขึ้นเลยนะครับคุณไปโฟกัสแต่ในเรื่องที่มันทําให้คุณหมองหม่นคุณก็จะทําอะไรที่แบบว่าไม่ไม่เป็นไปตามคาดหมายเสมอนะครับ คือถ้าใ ค, ครผ่านในเรื่องของค่การ c ีเคต่างๆนะครับในเรื่องของในเรื่องของแรงดึงดูดต่างๆเนี่ยคุณคุณก็เอาสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วมาใช้ที่นี่สิครับคุณรู้ว่าวันนี้นะฮะ บ, บางครั้งเนี่ยพอมันไม่ได้ดั่งใจเนี่ยพอคุณเริ่มอารมณ์เสียปุ๊บคุณต้องคุณต้องชิปความคิดของตัวเองให้ทันนะว่าเฮ้ยเฮ้ยพวกเนี้ยปัญหาเทียมไว้เฮ้ยอ๋อทีมงานคนเนี้ยเขาไม่เข้าใจตรงนี้ใช่ไหมเราให้ข้อมูลตรงไหน คือถ้าคุณเป็นผมใช้คำว่าเป็นมวยถ้าคุณเป็นมวยคุณจะรู้เลยว่าคุณควรชกบัตไหนคุณควรคุณควรจะถอยคุณควรจะกาดคุณควรจะบวกคุณควรจะฟุตเวิร์กข้างๆคือคุณจะรู้นะว่ามันควรจะซิกแซกไปทางไหนบางคนเนี่ยเจอคําถามเดียวกันสิบรอบแต่ก็ยังตอบไม่ได้สิบรอบผมว่ามันไม่มันไม่ใช่ปัญหาที่ตัวตัวตัวระบบแล้วล่ะมันเป็นอาจจะเป็นปัญหาที่ตัวคุณหรือแม้บางครหือแม้แต่กระทั่งบางคนนะฮะคือถ้าระบบเข้าไม่ได้เขาขยันขยอเข้าพอขยันขยอเข้าคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเข้าไม่ได้ซีว ป้งป่างเป้งโป้งโอ้โหไปกันใหญ่เลยคราวนี้นะฮะหรือแม้กระทั่งนะฮะคุณไปคุยกับเขาเนี่ยเขาสมัครมา1000บาทเนี่ยนะครับแล้วคุณก็ไปคาดหวังว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นเขาต้องเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นแบบนั้นคุณก็อารมณ์เสียพอพอพอได้คือยังไงอ่ะคุณเอาคนของคุณไปฝากไว้กับผู้สปอนเซอร์ของคุณไปฝากไว้กับอัพไลน์คุณพอเขาไม่ว่างเขาไม่อู่ในให้คุณก็อะไรอ่ะน้อยใจคุณก็แบบไปอารมณ์เสียใส่เขาอย่างเงี้ย เราจะไม่ติดนิสัยของการอารมณ์เสียง่ายคือคุณลองคุณลองกลับมาถามจิตใจคุณดูนะว่าวันนี้คุณอารมณ์เสียง่ายปุ๊บเนี่ยคุณพลาดอะไรไปบ้างนะครับเราอย่าอารมณ์เสียง่ายนะครับอะไรที่มันแก้ไขได้นะครับก็ปล่อยมันผ่านบ้างก็ได้แล้วเดี๋ยวมันดีนะครับบางคนถ้เมื่อวานอารมณ์เสียจากที่เข้าเว็บไม่ได้สมมุตินะคุณอารมณ์เสียคุณเซ็งจากการที่คุณเข้าเว็บไม่ได้พอมาวันนี้คุณเข้าได้คุณก็หายเซ็งจริงไหม จริงๆแล้วคุณจะเซงทําไมฮะคุณเซงไปปุ๊บคุณไม่ทําอะไรเลยทั้งวันแต่พอวันนี้นะฮะคุณก็ไม่ต้องเซงแล้วไงก็ทําไมคุณไม่เอาเวลาเซงของคุณไปทําอย่างอื่นที่มันรีแลกซ์อย่างเงี้ยครไปดูหนังก็ได้ครฟังเพลงก็ได้ครับเว็บมันเข้าได้คุณค่อยมาเข้านะครับนะครับเราจะไม่ติดนิสัยนะครับในการอารมณ์เสียง่ายนะครับแล้วก็ผมใช้คําว่าอันนี้เป็นประโยชน์ของคุณเลยนะความสําเร็จคุณต้องมีความใจเย็นคุณจะต้องฝึกการใจเย็น คุณโมโหใช่ไหมคุณโมโหคุณรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยโมโหรู้ไหมฮะว่าคนสามารถคนสามารถกําจัดความโมโหไปได้ทันทีเลยนะถ้าคุณรู้ว่าคุณโมโหแล้วคุณไม่ได้อะไรคุณโมโหคุณกระทึบคุณกระทึบเท้าคุณทําด้วยอารมณ์สิ่งที่คุณได้แน่นอนฮะเป็นลบแน่แคุณได้ความสาใจนะเวลานั้นคุณได้ความสาใจเอ้ยเนี่ยโหไม่เอาแล้วคืนลหัสได้เอาเงินคืนมา ที่ผ่านมามีหลายเคสเนะเอาเงานินคืนมาบริษัทคืนให้เลยครับไม่ไม่ง้อฮะคืนเลยครับรู้ไหแฮะว่าคุณเสียโอกาสครั้งยิ่งใหญ่เลยนะในการที่จะมีพื้นที่แบบนี้ธุรกิจแบบนี้ในราคาต้นทุนที่ถูกคุณบอกกับตัวเองว่าไอ้กูไม่เหมาะกูอารมณ์เสียแล้วมึงมึงช้ามึงไม่ได้ดั่งใจมึงแบบกระหลงปงกไม่ว่ากันฮะ แต่คุณต้องถามตัวเองก่อนนะว่าคุณกําลังพลาดโอกาสอะไรอยู่หรือเปล่าบางครั้งเนี่ยคุณทําดีมาเป็นร้อยครั้งนะคุณทําพลาดครั้งเดียวคือพลาดเลยนะนะครับคุณอาจจะคุณอาจจะมองไม่เห็นหรอกครับว่าว่ า, ว, าว่าทิศทางมันไปนี่จะทางไหนนะตอนนี้นะฮะแต่เมื่อคุณมีเงินเข้ากระเป๋าคุณจะรู้ว่า i, เฮ้ยเออว่ะมันจะต้องได้ว่ะเฮ้ยเออว่ะมันมันมันเป็นเหมือนที่โค้ดพูดว่ะเฮ้ยเออว่ะมันเป็นเหมือนที่คนเนี้บอกเลยเป็นเหมือนที่คนนั้นบอกเลยสุดท้ายฮนะ เพราะคุณพราะคุณทิ้งโอกาสไปวันหนึ่งคุณอาจจะเสียใจภายหลังก็ได้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณลองนึกภาพนะวันนี้คุณโมโหคุณไม่พอใจบบกคุณคุณรอผมใช้คำว่าคุณรอคุณรอให้ระบบมันพร้อมคุณรอให้ระบบมันเสถียรคุณรอให้มันพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะวันหนึ่งที่คุณที่มันพร้อมแล้วนะฮะผมบอกเนะฮะว่ามันจะไม่มีรายชื่อเพื่อนของคุณเหลือเลยอยู่ในนั้นเพราะเขาทําหมดแล้ว นะครับโอเคนะฮะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนะครับโอเคนะฮะในเรื่องของของ mindset นะฮะผมไม่อยากให้คไม่อยากให้คุณอะไรอะพร่ำบ่นกับมันไม่อยากให้คุณไปไปไปคิดกดเกี้ยนะฮะไม่อยากให้เรามีอารมณ์ร้อนง่ายนะครับอยากให้พวกเราใจเย็นๆนะฮะฝึกความใจเย็นนะครับทุกความสำเร็จมี Timing นะฮะมันง่ายครับ มันง่ายจนชนิดที่ว่าถ้าคุณเป็นนักการตลาดอยู่แล้วหรือว่าถ้าคุณเคยทำเน็ตเวิร์กมาแล้วคุณมองแผนสองสามนาทีคุณก็มองออกเลยเหลือแค่วันนี้คุณเอาไปสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจยังไงคุณอย่าลืมนะฮะในโลกนี้มันมีคนที่ชอบมีคนที่ไม่ชอบนะครับแต่คนที่ชอบแล้วไม่ชอบสังเกตไหมฮะไอสองพวกนี้มันเล่นโซเชียลกันทุกคนจริงไหมชอบก็เล่นโซเชียลไม่ชอบมันก็เล่นโซเชียล แสดงว่าคุณจำเป็นต้องร <ว graduation. S 1> ู้เดี๋ยว่าอะถ้าคุณไปคุยกับคนที่เขาชอบการทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจเกี่ยวกับโซเชียลแบบนี้นะฮะหรือเขามองเห็นช่องทางคือเขาบวกเอาไว้ง่ายคุณก็ควรรู้ว่าคุณควรจะเอาข้อมูลอะไรไปเผย่าเขาถ้าคุณคุยกับคนที่เขาไม่ชอบแสดงว่าการที่ไม่ชอบเนี่ยหนึ่งคุณเขาติดภาพอะไร2องเาได้ข้อมูลแบบไหนสามเขามีทัศนคติยังไงถ้าคุณเคลียร์สิ่งเหล่านี้ได้บอกเลยฮะจากไม่ชอบก็เปลี่ยนเป็นชอบได้ครับเอม่เเืงินข้ากกรระเเเป๋าา้้แลวมันถูไดขอทจิง มันไม่มีหรอกครับคนที่ไม่ชอบผมบอกเลยฮะทุกวันนี้การทําธุรกิจมันไม่มีไม่ถนัดมันไม่มีถนัดไม่ถนัดมันไม่มีชอบไม่ชอบมันอยู่ที่ผลลัพธ์ว่าเขาได้อะไรต่างหากต่อให้คุณไม่ชอบแต่ถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์คุณก็ทำนะครับอันนี้ผมการันตีเลยนะครับถ้าวันเนี้มีอาชีพที่คุณไม่ชอบเลยนะแต่มันได้เงินเดือนเดือนละหล้านคุณทํำไหมเช่นขายแองเกงในสมมตินะ คุณเป็นวิศว ก, กรอยู่แต่ว่าอยู่ดีเนี่ยมีคนมาเสนอให้คุณไปทําธุรกิจขายยังเกงในแต่ได้เดือนละห้าล้านคุณเป็นเจ้าของธุรกิจขายยังเกงในไม่ได้มีชื่อเสียงดูแบบทุเรศทุเรศด้วยคุณขายยังเกงในแม่งโลกจิตหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่คุณได้เงินเดือนเดือนละหล้านไม่ต้องชอบก็ได้นะทำเลยชอบผลลัพธ์เดือนละห้าล้านนะครับคือมันหมดยุคสมัยนะครับของการอวดเขาเรียกว่าการอวดอาชีพอ่ะคือมันหมดไปแล้วอ่ะสมัยก่อนใช่ฮนะโอ้เนี่ยเป็นโอ๊ย ผมเป็นหมอผมเป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกผมเป็นโ้ตำรวจยศเท่านั้นเท่านี้ติดหนี้กันทุกคนนึกออกไหมมันหมดไปแล้วฮะขับวีออย่างเงี้ยะไม่ใช่ฮะคุณคุณคุณอวดผลลัพธ์เนี่ยคุณอวดเลฮะในยุคต่อไปของคุณเลยนะผลลัพธ์ของคุณคุณขับเบนซ์คุณขับแลมโบอะไรก็ได้ฮะที่คุณชอบคุณมีบ้านราคากี่ล้านกี่ล้านนะฮะคุณจะสำเร็จเท่าไหร่ก็ได้ตามที่คุณต้องการ ขอให้คุณมีมีความมุ่งมั่นแล้วกันนะครับมันเป็นยุคของการอวดผลลัพธ์เป็นยุคของการอวดไลฟ์สไตล์แล้วฮะมันเป็นยุคของของของความสบายอ่ะอย่ามาบอกกับผมนะว่าเฮ้ย mm hmm. ทำไมตอมพูดแตเเ่เรื่องเงินเรื่องเงินผมไม่ได้พูดแต่เรื่องเงินนะครับผมพูดความจริงนะฮะความสุขของคนแน่นอนฮนะมันไม่ใช่เรื่องเงินเสมอไปฮะแต่คุณขาดเงินไม่ได้คุณต้องยอมรับข้อเท็จจริงของมันนะครับคุณสามารถช่วยคนได้อีกเยอะมากมนะถ้าคุณอยากช่วยคนใช่ไหมคุณเอาโปรเจกต์นี้ไปช่วยคนเลย คุณมีเงินใช่ไหมคุณจะบริจาค ก, ก็ได้แต่ถ้าคุณไม่มีเงินคุณช่วยเหลือใครไม่ได้เลยสักคนเดียวนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะครคุณไม่มีเงินคุณอย่าคิดไปช่วยใครนะครับการช่วยเหลือคุณต้องมีเงินก่อนนะครับอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูฮนะในเรื่องของการสร้างรายชื่อนะครับนะฮะ <c oughs> เอ่อรายชื่อเนี่ยจริงๆแล้วผมบอกเลยนะว่ามันง่ายมากนะครับบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะมองไม่เห็นสิ่งที่ผม สิ่งที่ผมกำลังทำอยู่นะฮะคุณรู้ั้มว่าทำไมวันนี้ผมถึงไลฟ์นะฮะการไลฟ์เป็นการทำธุรกิจของผมเลยนะผมทำแบบออนไลน์นี่ไงผมคุยกับพวกคุณเนี่ยผมไม่ต้องเดินไปหาพวกคุณเลยนะฮะผมมีเทคโนโลยีใช่ไหมใน facebook ผมก็ไลฟ์เลยฮะผมอยากคุยข้อมูลอะไรผมอยากสร้างทีมงานแบบไหนผมอยากทำอะไรฮะผมก็ไลฟ์นะครับแล้วทุกคนก็เข้าใจด้วยนะทุกคนก็ดูฮะผมก็สร้างทีมงานได้นะครับจากระยะไกลนะครับทีนี้เนี่ยนะครับ คุณเชื่อไหมว่าวันนี้มีคนมาขอสมัครคิวๆกับผมเนี่ยนะครับตอมกับบิลเนี่ยนะฮะของตอมเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยสีห้าคนนะครับของบิลเนี่ยวันหนึ่งอาจจะเป็นสิบคนเลยก็มีนะครับทีนี้เนี่ยมันมาอย่างไงฮะเราเราทำการมาร์เก็ตติ้งออนไลน์นะครับบางครั้งนะฮะเราเคยเราเคยทําธุรกิจออฟไลน์มาซะส่วนใหญ่นะครับเช่นคุณเคยเนี่ยมานั่งเฮลมิทติ้งกันนะครับแล้วคุณก็สอนงาน คุณเคยต้องแบบต้องไปสปอนเซอร์วันอวันคุณเคยต้องแบบไปคุยกันต่อหน้านะครับเพจคุวคิวมันไม่ต้องคุยกันต่อหน้าก็ได้นะฮะคือมันง่ายนะครับมันไม่มีอะไรซับซ้อนมันไม่มีอะไรหมกเม็ดฮะแผกนการตลาดไม่ต้องผาคุยกันตรงๆได้เลยนะครับเราสามารถสร้างรายชื่อหรือว่าสร้างผู้ร่วมธุรกิจจากออนไลน์ได้เช่นคุณเล่น Facebook อยู่ใช่ไหมนะครับคุณมาดูนะใน facebook ผมเนี่ยนะครับผม ผมจะชอบทำอ่าผมใช้คําว่าสร้างแบรนด์ให้ตัวเองนะฮะอาจจะเป็นในเรื่องของนะฮะรายได้นะครับคือมันเป็นการเชิญชวนชนิดหนึ่งนะครับทําำยังไงให้คนสนใจมากกว่า <c oughs> คือทํายังไงให้คนสนใจคุณมีเพื่อนนะฮะในเฟซบุ๊กคุณมีเพื่อนนะครับบางคนมีเป็นแบบพันคนบางคนมีแบบหลายร้อยคนเลยนะครับบางคนมีแบบห้าพันคนก็มีคนติดตามแบบเป็นหมื่นคนก็มีนะฮะใครที่แบบโอ้โหทําทํา อาจจะแบบเป็นผู้หญิงสวยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนติดตามเยอะคุณสามารถใช้พวกนี้เป็นช่องทางการทำไรายได้ได้ทั้งหมดนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งถ้าใครแบบหัวดีๆหน่อยนะครับผมบอกเลยว่าคุณสามารถมาร์เก็ตติ้งได้ง่ายเลยนะคุณดูนะเดี๋ยวนะผมจะเปิดดูให้ในเฟซบุ o กผมนะคือผมสร้างโปรไฟล์โปรไฟล์ a c e b o o k นะคุณดูนะผมสร้างโปรไฟล์ Facebook ตั้งแต่รูปภาพเลยนะตั้งแต่รูปภาพที่อยู่เลยฮนะเห็นไหมฮหัวปกบางคนหัวปกยังเป็นลายไร้สาระอยู่เลยนะฮะ เวลาที่คุณเวลาที่คนเข้ามาดูคุณเนี่ยนะครับมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นการมาร์เก็ตติ้งอ่ะมันเป็นการเหมือนกับว่าอ๋ออนนี้ก็ธรรมดาเนื้อหาคุณคุณกําลังทรรําธุรกิจใช่ไหมถ้าคุณกําลังทรรําธุรกิจนะฮะอ่ะคุณสร้างโปรไฟล์ให้ตัวเองก่อนนะฮะคุณเป็นเจ้าของธรรุรกิจนะครับคุณเรียนจบจากที่ไหนหรือว่าบางคนทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยหน้าที่การงานคุณจําเป็นต้องมีนะฮะรูปภาพอย่าใส่เลอะเทอะสเตตัสต่างๆของคุณพยายามอย่าเลอะเทอะในการที่คุณจะทําธุรกิจออนไลน์นะครับนึกออกไหมฮะ ผมทาทุกอย่างที่เป็น facebook ของผมเป็นเรื่องของธุรกิจที่ผมกําลังทําอยู่นะครับนึกออกไหมฮะทุกอย่างเป็นความรู้ทุกอย่างเป็นในเรื่องของการมาร์เก็ตติ้งผมไปที่ไหนมานะครับผมทําอะไรอยู่นะครับบางคนเนี่ยยังโพสพั่มเพลอะอกหักอยู่เลแล้วเปิดเข้ามาโอ้ อ, อกหักเนี่ยเหรอมึงจะทำธุรกิจ20ิบล้านนะครับไม่ไม่ไ ม, มันผมใช้คำว่าเออมันยังไม่ได้อะเข้าใจว่ามันมันยังไม่ได้อะนะฮะนะครั บ, นะ ค, รบคุณพยายามมาร์เก็ตติ้งตัวเองผมเป็นคนธรรมดาฮะดูนะ ก็แค<สาย>่ใส่รูปบางรูปเนี่ยเขียนแคปชันต่างๆให้ให้เกิดแรงบันดาลใจให้เกิดการติดตามนะครับให้เกิดการเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเปลี่ยนไปวะเฮ้ยโหมันมีแคปชั่นเฮ้ยคือคุณพ ย, ยายามทำให้เพื่อนคุณสนใจคุณนะ่ะเพื่อนคุณสนใจคุณแล้วคุณทําอะไรล่ะครับคุณทำเพจคิวๆอยู่ใช่ไหมให้คุณเริ่มต้นง่ายๆจากการที่วันนี้นะครับคุณอาจจะยังไม่ถึงขนาดนี้ก็ได้นะอันนี้อันนี้ของบิวเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างของบิวนะฮะ ของบิวเนี่ยเขาจะมีรูปคิวนะฮะที่เขาได้มาอย่างในอันเนี้ยนะฮะตั้งแต่วันไหนก็ไม่รู้เนี่ย239คิวก็หมื่นกว่าบาทใช่ไหฮะบิวเาก็จะมาเขียนแคปชั่นนะเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนตื่นตอนเช้ามาเช็คสเตตัสเฟซบุ๊กใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้ตื่นเข้ามาดูเพจคิวๆอาว่าวันนี้จะมีเงินเข้าเท่าไหร่นะนะฮะโตื่นมามีเงินเข้า1มื0 0นึงอย่างเงี้ยครับเห็นไหมฮะมันตื่นเต้นมากเลยเข้าวันละสี่พันห้าพันหันคือคุณสร้างสตอรี่ฮะคุณสร้าง Story, สตอรีค่ค ความความตื่นตาตื่นใจให้กับเพื่อนของคุณที่เขาเห็นเฮ้ยเงินเข้าเว้ยมันทำอะไรวะก็ดูง่ายๆนี่ว่าแล้วคุณก็อาจจะใส่คลิปของผมไปก็ได้นะครับคุณใส่เบอร์โทรติดต่อคุณไปด้วยนะนะคุณพยายามให้เขาคอนแทคคุณคุณพยายามให้เกิดความสนใจให้ให้มีคนเข้ามาสนใจตัวคุณนะครับคุณจะมีการผมใช้คาว่าคุณจะมีความสนใจจากเพื่อนของคุณนะครับคุณอาจจะเริ่มโพสไอคอนแทสดีๆ นะครับคุณอาจจะเริ่มโพสต์คอนเทนต์ของคุณนะครับลงไปใน Facebook ของคุณนะครับนึกออกไหมฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะเดี๋ยวนะผมมีตัวอย่างอยู่นะครับอ่ะอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยนะครับผมเอาผมเอาผมแคปเจอร์หน้าจอนะฮะสมาชิกที่เขามีการทำรายได้แล้วเนี่ยมานะครับว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีคนทำแล้วได้รายได้เนี่ยมันคืออะไรล่ะนะฮะเห็นหลักฐานมากมายนะครับเกี่ยวกับการใช้งานเพจคิวนะฮะ งอกเงินจากเงิน1000บาทนะฮะเป็นหลักหลายๆหมื่นบาทนะครับต่อวนันด้วยด้วยเพจค q ว, วคิวอะไรเงี้ยคุณใส่แคปชั่นไปนะช่องทางการทําเงินบนอินเทอร์เน็ตนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งตู้ ATM ในมือถือของคุณเฮ้ยผมชอบคํานี้มากเลยนะมาเปลี่ยนมือถือของคุณให้เป็นตู้ ATM ด้วยเพจค q ว, ว, ว, ว, ว, วกันดีกว่าอ้เจ๋งไหมนะฮะอันนี้ให้เครดิตพี่พี่ท็อปนะฮะพี่ท็อปพี่ท็อปนะฮะไ <I get S 2> อเกตทีมนะฮะผมชอบมากเลยผมได้ยินผมได้ผมอ่านผมอ่านแคปชั่นนี้แล้วผมชอบมากเลย มาเปลี่ยนมือถือของคุณให้เป็นตู้ ATM ด้วยเพจ QQ กันดีกว่านี่ชอบมากเลยนะฮะหรือวอลีเดดของผมนะฮะมาเปลี่ยน 1,000 พเป็นหลักล้านกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือคุณคุณพยายามใส่วลีที่ที่มันเป็นจุดเชิญชวนน่ะนะครับแล้วคุณก็หาแคปชั่นที่มันโดนๆหน่อยนะฮะมามาใส่หารูปภาพนะฮะที่ที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณนะครับเป็นการมาเก็ตติ้งฮะ แล้วก็พยายามนะครตัดในเรื่องของเรื่องไรฟ์สาระออกไปนะครับคุณอย่าโพสเรื่องไรฟ ส, สาระมากเพราะคุณถ้าคุณมองมันเป็นธุรกิจนะอันนี้ผมให้เทคนิคนะฮะคุณพยายามสร้างสร้างแบรนด์ Facebook ดของคุณนะครับให้มันเป็นตัวคุณน่ะให้มันเป็นให้มันเป็นเชิงธุรกิจนิดนึงให้มันเป็นเชิงการมาร์เก็ตติ้งนะฮะอันนี้ตอนที่ผมกดถอนเงินออกมาที่สนามบินนะฮะผมจะบินไปที่ไหนก็ไม่รู้อะ่ะเนี่ยผมถอนออกมาหมื่นกว่าผมก็ถ่ายรูปไปก็ถ่ายรูปไปแล้วก็เขียนแคปชั่นนะเห็นไหมเขียนแคปชั่น นี่ก็เป็นการมาร์เก็ตติ้งแล้วที่สําคัญคือคุณรู้ไหมเมื่อคุณทำสตอรี่แบบนี้ยคุณอาจจะเริ่มต้นจากเงินเข้าวันละหนึ่งพันสมัยก่อนนะเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะผมเริ่มจากเงินเนี่ยช่วงหลักพันเนี่ยเดี๋ยนะมันบางคนเน่ยเขาก็ติดตามเราอยู่คุณนึกออกไหมบางคนเขาติดตามเราอยู่นะครับเขาอยากรู้ว่าเฮ้ยมันจะทําได้จริงหรือเปล่าเแบบนี่ยฮะคุณก็เริ่มต้นจากเงินแบบหลักพันมาวันหนึ่งคุณก็โพสต์2องพันมาวันหนึ่งคุณก็โพสต์สามพันเห็นไหฮะ จากนั้นนะฮะอันนี้คุณดูผมนะสมัยแรกๆเนี่ยที่ผมได้เนี่ยนะฮะช่วง2 0 0พันกว่าบาทนีฮะพันะฮะเนี่ยเห็นไหมผมก็มาเขียนแคปชั่นอุยเงินเข้ามาแล้วสองพันะฮะเนี่ยพันกว่าบาทแบบนี้ฮะเห็นไหมฮะมีหมดครับผมมีหมดตั้งแต่ช่วงเรื่เนี่ยมาถึงเรื่องสาพันลวนะครับจากนั้นก็ขยับขึ้นนะฮะมาแบบห้าพัน0 0พันเจ็ดพันหมื่นหนึ่งสองมืนแบบนี้ครับคนเวลาคนเขาติดตามคุณนะเขาจะแบบเฮ้ย เฮ้ยมันได้เว้ยเฮ้ยมันได้เยอะขึ้นตลอดเว้ยหรือแม้กระทั่งตอนที่คุณถอนเงินเข้ามาอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะรับโอนเนี่ยอนสามรอยบาทเงี้ยผมก็ใส่มาตลอดนะสร้างสร้างโปรไฟล์ของคุณนะสร้างสร้างให้มันเกิดความเชื่อมั่นสร้างให้มันมีข้อแท้จริงอย่าขี้โม้นะอย่าขี้โม้ผมบอกอย่างหนึ่งเลยอย่าขี้โม้อย่าโอเวอร์เซลล์นะครับการโอเวอร์เซลล์หรือว่าการขี้โม้การไม่พูดข้อแท้จริงหรือการไปหลอกลวงเขาไม่ส่งผลดีลใดใทังสิน้นนะครับไม่สนับสนุนเลย นะครับในเรื่องของความคีโมนะฮะอย่าคีโมนะฮะโอเคนะครับเห็นฮะคุณคุณเคยมีแบบยังไงเสมัยก่อนนี่คุณดูผมนี่ดูนะอยู่ป่ามันนะฮะเปลี่ยนมาใส่สูตรคือมันต้องมีจุดเปลี่ยนแปลงอะของตัวเองอะคุณนึกออกไหนะฮะคุณอาจจะไม่ต้องมาใส่สูตรเหมือนผมก็ได้นะฮะมันเป็นแค่ในเรื่องของลุกในเรื่องของบีอิงนะฮะทำให้มันเป็นธรรมชาติที่สุด แต่วันนี้คือคือผมจะเอา20ล้านน่ยผมเลยต้องปรับบี้ของผมให้มันเป็นแบบนี้นะครับคือผมไม่ทํางานผมตื่นขึ้นมาทํางานผมจะไม่เอา500ผมตื่นขึ้นมาเอา20ล้านผมทํางานแบบคนที่จะทําเอา20ล้านนะฮะใครที่จะเอา20บล้านเหมือนผมนะฮะใครที่เอาแพสซีฟเดืละหกล้านคุณตื่นมาแล้วคุณโฟกัสไปในสิ่งที่คุณต้องทําคุณอย่าทํางานแบบแบบหลับตาข้างเดียวเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวมันก็โตหรือว่าแม้กระทั่ง สิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณทําอยู่ในชีวิตของคุณเน่ยคุณอย่าใช้ชีวิตแบบปิดตาข้างเดียวอ่ะนะฮะเฮ้ยมันไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ได้นะอย่าให้คําเหล่านี้นะครับมาอยู่ในหัวของคุณนะครับพยายามพยายามสร้างสร้างริเลชั่นชิพกับคนที่ที่เป็นทีมงานกับตัวคุณด้วยนะอันนี้สําคัญเลยนะครับคุณได้คนมาจากออนไลน์ก็จริงนะฮะสมาชิกมาจากออนไลน์ก็จริงนะครับเหมือนอย่างวันเนี้ยที่ผมนั่งคุยกับทุกท่านผมผมกำลังสร้างริเลชั่นชิพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนนะครับทุกคนเห็นหน้าผมนะครับผมมีตัวตนนะครับผมอยู่ตรงนี้นะฮะผมมีตัวตนนะครับคนเห็นหน้าเรานะครับคนก็รู้สึกว่าเออไอ้นี่มันมีตัวตนไว้เฮ้ยเออว่ะมันมันมันสอนงานมันมันแบบทํางานกับเรานะครับมันมันโอเคอะไรประมาณนี้นะครับการสร้างทีมงานแบบออฟไลน์ทําให้คุณมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นคุณมีผลลัพธ์ด้วยการคุณมีผลต่างตอบแทนซึ่งกันและกันนะครับ เวลาที่เราทำงานด้วยกันเนี่ยความสัมพันธ์เป็นเรื่องสำคัญมากนะรเราจะ follow up กันจนถึงความสำเร็จของชีวิตเราเลยนะครับอย่าทิ้งกันใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่กำลังจะปล่อยมือคุณคุณควรจะไปคุยกับเขาว่าเขาอยาอยากให้เขาตกมาตายนะครับบางครั้งเนี่ยความไม่เคยชินความที่ต้องเจออะไรใหม่ๆมันอาจจะมีบ้างนะเขาเรียกว่าการการการกระแทกหลบชีวิตนะ บ, บางครั้งคุณไม่เคยมาเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีเลยแต่คุณเห็นว่ามันเป็นไปได้ ฝึกได้ครับถ้าวันนี้คุณเล่นเฟซบุ o กกับคุณเล่นไลน์ได้คุณเล่นเพจค q วได้แน่นอนถ้าคุณเคยทําธุรกิจมานะครับหรือคุณทํางานอยู่หรือคุณทําอะไรอยู่ก็ตามแต่คุณสามารถทำเพจคิวคได้โดยที่คุณสามารถศึกษาได้ครับข้อมูลมันไม่ยากมันง่ายนะครับในเรื่องธุรกิจคุณอาจจะไม่มีประสบการณ์มันก็จะสอนประสบการณ์ให้คุณไปเองในเรื่องของธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นฮะไม่ต้องไปกังวลนะครับในเรื่องการทำงานที่เพจค q วนะครับ เราจะไปเราจะไปนะฮะเราจะเดินไปด้วยกันนะครับด้วย mindset ที่แข็งแรงนะครับด้วยจิตนะครับด้วยจิตใจนะครับที่เอื้อเฟื้อเผอผลช่วยเหลือกันนะครับด้วยความถูกต้องนะครับการสื่อสารนะครับสำคัญมากผมอยากให้พวกเราทุกคนสื่อสารในทิศทางที่ถูกต้องเสมอนะครับอยากให้ทุกคนนะฮะมีแนวทางที่ชัดเจนนะครับในเรื่องของการโชว์อัพตัวเองขึ้นมาฮะผมอยากได้ทีมโค้ชที่มีความแข็งแกร่ง นะครับในเรื่องของวิธีคิดวิธีการนะครับเราเรามาศึกษาตรงนี้ให้เข้าใจนะครับแล้วเราก็ดูแลทีมงานของเรานะครับมันมันจะเป็นบ้านที่อบอุ่นมากๆนะฮะเมื่อทุกคนนะครับมีความคิดนะครับมีวิธีคิดมีการมองเห็นในช่องทางแบบเดียวกันแล้วทําไปพร้อมๆกันนะครับไม่ใช่ว่าบ้านหลังเงี้ยทุกคนทะเลาะกันสวนกันเฮ้ยอย่างนั้นอย่างนี้นู่นนี่นั่นนะฮะเราเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเกิดขึ้นนะครับทำไมวันนี้ตอมถึงต้องมา ต้องมาดูแล พ, พวกท่านทุกคนนะครับเพราะว่าตอมตอมอยากให้ทุกคนนะฮะมาเป็นเหมือนตอมนะฮะเก่งกว่าตอมก็ก็โชว์ตัวขึ้นมาเลยนะครับผมอยากได้ทีมงานที่เก่งๆนะครับมามาช่วยกันไม่เก่งก็ทําให้ตัวเองเก่งได้นะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันมันมันไม่ต้องเก่งแบบโอเวอร์ะฮะขอให้คุณเป็นตัวคุณคุณรู้ข้อมูลคุณกล้าที่จะแสดงออกผมถือว่าคุณเป็นคนเก่งแล้วนะฮะคุณคุณสามารถมีผลลัพธ์คุณก็เก่งแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราอยากได้ทุกๆคนนะฮะ ทุกๆคนเลยนะผมเน้นย้ำนะอยากได้ทุกๆคนนะครับให้มีผลลัพธ์ทั้งหมดไม่อยากให้ใครไม่มีผลลัพธ์เลยอยากให้ทุกคนนะครับที่เข้ามาแล้วจ่ายเงินแล้วแนบสลิปแล้วเนี่ยนะครับมีทีมงานแล้วเนี่ยช่วยกันบริหารครับอย่ามองว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นพื้นที่ราคาถูกที่คุณเข้ามาแล้วก็ทิ้งๆิคว่างๆนะครับผมอยากให้ทุกคนมองมองให้เห็นว่าตรงเนี้มันมีค่าแล้วช่วยกันครับในการที่จะส่งต่อนะครับช่องทางทําเงินบนโลกออนไลน์เนี้ยที่ชื่อว่าเพจ q ิเนี้ยไปไปให้มันแพร่หลายให้เยอะที่สุดนะครับ มันจะเวอร์ไว้คุณจะกลายเป็นคุณจะกลายเป็นคนที่ร่ํารวยมากๆนะครับจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตคุณจะเป็นคนที่ร่ํารวยมหาศาลคุณจะเป็นคนที่จับเงินได้ทุกวันคุณจะเป็นคนที่ในชีวิตเนี้ยคุณสามารถชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้จากการที่วันเนี้ยคุณมีเงินปัญหาของคุณทุกคนมีหมดนะครับจงชนะปัญหาด้วยการเป็นคนรวยนะครับอย่ายอมแพ้ต่อปัญหาด้วยการเป็นคนจนคุณต้องชนะปัญหาทุกปัญหาที่มีในชีวิตของคุณด้วยการเป็นคนที่สําเร็จในชีวิต เมื่อคุณสําเร็จในพื้นที่หนึ่งคุณสําเร็จในเรื่องการเงินใช่ไหมคุณจะสําเร็จในเรื่องของเวลาด้วยคุณสําเร็จในเรื่องการเงินแล้วเวลาคุณจะสําเร็จในเรื่องของการดูแลสุขภาพคุณด้วยคุณสําเร็จในเรื่องนี้คุณจะสําเร็จทุกๆเรื่องครอบครัวของคุณลูกคุณแฟนคุณภรรยาคุณความคิดของคนคุณจะเป็นแรงบันดาลใจฮะคุณชนะหนึ่งที่คือคุณชนะทุกๆที่นะครับแล้ววันนี้เพจคิวจะทําให้คุณนะครับมีความสําเร็จทางด้านกายภาพคือคุณะจมีเงินคุณสามารถจับเงินทุกวัน แต่วันนี้ในการที่คุณพัฒนาในเรื่องของวิธีคิดคุณจะมีความสําเร็จในเรื่องของการมีวิธีคิดอย่างผู้สําเร็จจริงๆคนที่มีความสุขจะมีความสุขในเรื่องของวิธีคิดนะครับฉะนั้นนะฮะวันนี้นะครับผมกค็คงคาดว่าทุกท่านคงได้รับผลประโยชน์นะฮะไม่ใช่ได้รับผมประโยชน์ได้รับปร ะ, ประโยชน์นะฮะในการที่จะออกไปทํางานนะครับคราวนี้มาในเรื่องของคําถามบ้างแล้วนะครับคําถามโอเคนะครับใครอยากถามอะไรผมฮะ มาเลยฮะขอขอคำถามฮะเดี๋ยวบิวจะอ่านคาถามให้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบนะฮะ <c oughs> ถามมาได้เลยนะครับใครอยากถามอะไรใครอยากรู้ตรงไหนเพิ่มเติมนะครับถามมาเลยนะฮะมีไหมครับอบิวอย่าหาวใส่กล้องนะฮ <c oughs> นะอย่าเอิ่งเลยยัง ไ, ยไม่มีคำถามอ่ะเดี๋ยวนะ พอดีมีคนถามว่าเขาไม่แนะนำแต่ทำคอนเทนต์เขาจะมียอด16คิวไหมนะครับอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะฮะขึ้นอยู่กับเรตวิวแล้วก็ความเจ๋งของคอนเทนต์ที่คุณทำกับจานวนวิวที่เกิดขึ้นนะครับโอเคนะฮะ บ, บางคนบอกว่าเนี่ยต้องเห็นเป็นเงินก่อนถึงจะมาถึงจะมาสมัครด้วย <c oughs> ก็ก็รอไปก่อนก็ได้นะครับก็รอไปก่อนก็ได้นะครับไม่ไม่ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะม่มีคำถามมีจะแรงพี่จะไปต่อมีคำถามไหมอ๋อ <c oughs> <c oughs> ผมเชื่อมั่นว่าวันนี้ความความความ full power ของผมในระดับเลเวลประมาณ5้านี้อาจจะทําให้ทุกท่านนะฮะได้เห็นถึงได้เห็นถึงพลังงานบางอย่างนะฮะต่อให้วันนี้ไม่มีรีวจิตสัมผัสอยู่นี้ผมก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างนะฮะพลังของความมุ่งมั่นของทุกคนนะครับที่ส่งมาถึงผมนะฮะผมเห็นทุกคนนะฮะมี ม, มีมีความอดทนนะครับมีมีจิตใจที่จะไปต่อกับที่เพจคิวคิวนะครับ ต่อให้วันนี้คุณอาจจะเคยเจ็บช้ำมาจากในธุรกิจอื่นๆที่คุณเคยทําผมบอกเลยครับว่าวันนี้จะเป็นอีกเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่คุณสามารถจับมันและทําเงินได้จากที่นี่นะครับโอเคถามว่ามีคู่มือคู่มือการใช้งานไหมคู่มือการใช้งานนะครับผมใช้คําว่าคุณสามารถดูได้นะครับจากในคลิปของผมนะครับหรือลองเทสการใช้งานได้มันไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับคุณเคยเล่น Facebook ได้ยังไงนะฮะวันนี้มันไม่มีคนสอนคุณใช่ไหมนะครับผมใช้คําว่า มั่วจนเกิดความชำนิชํานาญนะฮะผมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะครับก็ก็จะทํำให้เช่นการสมัครสมาชิกใช้จากเบราว์เซอร์อะไรนะครับคุณเข้าไปแนบสลิปแบบไหนนะครับการโพสต์คอนเทนต์การดึงคลิปมาจาก YouTube ทํำยังไงนะครับการเช็ควิวในระบบทํำยังไงมีหมดแล้วนะครับอยู่ในบันทึกของกลุ่มนะครับแล้วก็ในเรื่องของการถอนเงินนะครับการเชิญชวนสมาชิกต่างๆนะครับก็จะมีนะครับคนที่คอยคนที่คอยเป็นโค้ชให้คุณอยู่นะครับ ทีมโค้ชนะครับก็จะต้องคอยดูแลทีมงานทุกๆห้องนะครับที่เกิดขึ้นในกลุ่ปลายนะครับโอเคมีคําถามอื่นไหมฮะช่วงนี้สมัครใช้ฟรีไปก่อนใช่ไหมครับใช่ครับผมช่วงนี้ยังไม่มีนโยบายในการตัดรหัสนะฮะอ่ะทีนี้พูดเรื่องนี้เดี๋ยวขอพูดนิดนึงนะฮะปกติแล้วเนี่ยในนโยบายนะครมันจะเขียนว่า48ชั่วโมงใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนโยบายตัวนั้นเป็นนโยบายที่ถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่ามันมันก็มีการยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้นะครับคือณตอนนี้นะฮะยังไม่มีการตัด ตัดรหัสสมาชิกที่ไม่จ่ายเงินนะครับเพราะฉะนั้นรหัสสมาชิกไหนนะครับที่ต้องการจะจ่ายเงินนะครับไปจ่ายแล้วแนบสลิปได้เลยนะครับแต่ถ้าระบบมันสมบูรณ์แล้วคุณฟังใดีนะถ้าระบบมันสมบูรณ์แล้วนะครับมันพร้อมที่จะมีการตัดยูเซอร์เนมแล้วเนี่ยเมื่อมียูเซอร์เนมสมัครเข้ามาใหม่นะครับคุณสามารถใช้ได้ใน7วันคุณต้องจ่ายเงินให้เรียบร้อยนะฮะใน7วันถ้า7วันคุณไม่จ่ายนะครับมูฟออกเลยนะครับพอลกผังนะฮะอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับโอเคการถอนคิวจากวอลเล็ การถอนคิวจากโวลเลทกดที่ w i t h d r a w นะครับแล้วก็เดี๋ยวการน่าจะถามว่าวันไหนอะไรประมาณนี้มั้งอ๋อโอเคนะครับน่าจะวันนี้พรุ่งนี้แหละฮะน่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันมันเสร็จแล้วครบทุกอย่างนะครับเราถอนคิวกันไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมนะฮะแล้วระบบมันยังคาอยู่ใช่ไหมครับไม่ต้องตกใจนะครับทีมงานทุกท่านนะฮะเดี๋ยวองค์เขาจะเปิดให้ถอนอีกรอบแล้วต่อไปก็จะถอนได้ตลอดเลยนะครับใจเย็นๆนะฮะมันมันอยู่ในช่วงแก้ไขสักเล็กน้อยนะฮะปรับปรุงสักเล็กน้อยนะครับโอเคมีคำถามอื่นไหมฮะ ถามมาได้เลยนะครับรจะได้ทีเดียวนะครับอยากถามชันไหมถามได้หรือเปล่าถามได้นะถามเลยนะฮะ <c oughs> มีไหมฮะ <c oughs> ผมแนะนําใคร <c oughs> ได้เลยไหมอ๋อนิดหนึ่งนะฮะคือคือเวลาที่เราสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับ ต่อให้รหัสเรายังไม่อนุมัตินะฮะฟังดีนะฮะสมาชิกใหม่ต่อให้คุณรหัสยังไม่อนุมัติคุณสามารถทําทุกอย่างได้เหมือนคนทั่ ว, วไปเลยคุณโพสต์คอนเทนต์ได้นับวิวให้ด้วยนะครับคิดเงินให้ด้วยนะครับคุณสามารถเอาลิงก์ของคุณสมัครต่อได้เลยนะครับเมื่อมีการแนะนําบอกต่อคุณสามารถทําได้ทุกอย่างเลยนะครับเพียงแค่จุดนิดเดียวที่คุณไม่สามารถเอาเงินออกจากระบบได้แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าให้ใจเย็นๆนะฮะทุกอย่างถ้ามีการแนบสลิปครบนะครับคุณไม่ต้องกลัวเลยรหัสคุณอ p p r o v แน่นอนนะครับอโอเคอยากเสนอ เวลาแนบลิงก์น่าจะสามารถคลิกที่ลิงก์แนบได้เลยครับพราะกดไม่ได้ครับอ๋อในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ใช่ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยเพจ QQ วอ่ะคุณต้องเข้าใจอย่าว่ามันเป็นการมันเป็นการทําลิงก์คือตัวเพจ q ิวอ่ะมันเป็นการท ำ, ร ท, ำทับฟลิกข้างใน อ, ออกไปข้างนอกแต่ถ้าคุณเอาลิงก์มาเนี่ยต่อให้คุณจะเอาลิงก์สมัครมาคือคุณเอากำลังเอาลิงก์จากข้างนอกเข้ามาข้างใน นะครับมันเป็นทัฟฟิกนอกวิ่งมั้งในมันจะไม่ได้นะครับณตอนนี้นะฮะแต่เดี๋ยวอีกหน่อยคงคิดว่าน่าจะปรับให้มันกลายเป็นกดลิงก์ได้นะครับเผื่อคุณอยากจะแปะลิงก์นะครับก็สามารถแปะได้นะครับตอนนี้ต้องเป็นอวดดิ้งก่อนนะครับโอเคระบบจะเสถียรเมื่อไหร่ครับระบบจะเสถียรเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับคุณโอมฮะแต่ว่าก็เร็วๆนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับในเรื่องของการรอคอย การต่อสายงานรงหลังจากคนที่สามเป็นต้นไปเป็นอย่างไรก็ลงไปอยู่ข้างล่างชั้นที่สองแต่ไม่รู้ตำแหน่งไหนเดี๋ยวนะไว้อะไรเนี่ยเพจคิวเข้าไปถึงกัมพูชาหรือยังครับถึงแล้วครับผมถึงแล้วฮะแต่ว่ายังไม่มีบริษัทลูกที่กัมพูชานะครับเอ่อถ้าเป็นกัมพูชาเนี่ยสามารถสมัครได้ในรหัส Kh นะครับ khq นะฮะเวลาสมัครเลือกประเทศนะครับตรงเลือกประเทศน่ะให้คุณเลือกแคนบริดีนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นชาวกัมพูชานะครับแต่บัญชียัง้งเป็นบัญชีไทยอยู่นะครับหรือต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นลาวไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรืออะไรก็ตามแต่นะฮะที่เป็นต่างชาตินะฮะถ้าจะสมัครตอนนี้นะฮะคุณคุณต้องสมัครเป็นรหัส th ก่อนนะครับแต่ต้องมีบัญชีไทยนะครับเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนบัญชีทีหลังแต่ะแต่ว่า user เปลี่ยนไม่ได้นะครับ ถอนเงินออกจากระบบจะเข้าบัญชี <c oughs> เราเลยหรือเปล่าใช่ครับไม่เข้าบัญชีอื่นแน่นอนเพราะว่าตอนคุณสมัครคุณใส่บัญชีคุณนะครับไม่เกินสี่ปดชั่วโมงนะครับ อ, อีกนานไหมที่ประเทศเพื่อนบ้านเราจะสามารถเปิดบัญชีไม่ไม่นานฮะเดี๋ยวราบริษัทลูกไปเปลี่ยนก่อนตอนนี้ตอนนี้จริงจแล้วเนี่ยเอาในประเทศไทยก่อนนะครับประเทศไทยก่อนนะครัเพราะต้องการให้คนไทยนะครับเป็นต้นสายนะครับใครเนี่ยเป็นยูเซอร์แรกแเหมือ น, user เ, หอนเหมือนธุรกิจเหมือนธุรกิจเครือข่ายใช่เปล่าก็อันนี้ขึ้นกับ ขึ้นกับความเข้าใจของคุณนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วผมบอกไปแล้วว่าความเหมือนนะฮะผมต้องใช้คำว่าความคล้ายดีกว่านะฮะเหมือนขนุนกับจำปะดะนะฮะมันก็คล้ายกันแต่ผ่ามาไม่เหมือนกันนะฮะเนื้อคนละเรื่องนะครับตรงนี้เป็นโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะครับโครงสร้างการจ่ายเงินอาจจะเหมือนในธุรกิจ m อ MM ็บ้างสักเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าเป็นข้อดีนะครับที่จะดึงมาใช้นะครับโอเคเอกคนเราในไทยเอกสารครบทําได้ไหมทำได้ครับทําได้เลยนะฮะ ทีนีเ้เน้นย้ำนิดหนึ่งเรื่องการสมัครสมาชิกนะฮะคุณพยายามใช้นะครับพยายามใช้พยายามเช็คผมเช็คผ ม, ผมเน้นย้าเลยนะคุณพยายามเช็คหนึ่งะฮะในเรื่องของชื่อนะครับคือบางครั้งคุณกรอกไปแล้วเนี่ยด้วยด้วยความที่คุณอาจจะเซียนแล้วอะไรเงี้ยคุณกรอกไปแล้วปุ๊บคุณก็ไม่ได้ดีเช็คพยายามรีเช็คฮ ะ, คะชื่อนะครับนามสกุลว่าถูกต้องไหมนะครับรหัสบัตรประชาชนถูกต้องไหมนะครับที่อยู่อีเมลเบอร์โทรมันเปลี่ยนได้แต่ชื่อเปลี่ยนไม่ได้รหัสบัตรประชาชนเปลี่ยนไม่ได้เวลาจะเเเปปลีี่่่ยนองทํารื นะครับโอเคนะฮะพยายามเช็คด้วยนะครับแล้วก็รหัสของผู้สมัครนะครับคุณต้องดูเสมอนะฮะว่ามันใช่ไหมคุณต้องเช็คลิสต์ธีมงานของคุณก่อนว่าเออเนี่ยรหัสของผู้สมัครมันถูกต้องไหมนะครับนะฮะโพสต์หลายรอบต่อวันได้หรือเปล่าคะโพสต์ไปเลยฮะอยากโพสอะไรก็โพสได้เลยนะครับกี่โพสต์ก็ได้นะครับตอนนี้เด็กอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปีถึงจะทำเพจคิวคได้ขอให้มีบัญชีธนาคารนะครับทําได้ทุกคนนะครับแต่อายุต่ำกว่า18ปปีผู้ปกครองรับผิดชอบทุกคอนเทนต์นะครับ มีคำถามอีกไหมะนะฮะเปิดโอกาสตอบอีกห้าคำถามออีกห้าคำถามนะฮะอีกห้าคำถามนะครับคำถามที่หนึ่งนะฮะที่หนึ่งมาเลยอีกห้าคำถามนะครับไม่มีไม่มีนะเฮ้ยไม่มีจังเหไม่มีปิดแล้วนะนะฮะจะไปจะไปนอนแล้วนะไว้แน่ๆขอขอเตือนจ้า ถ้างั้นผมฝากนะฮะประชาสัมพันนะครับสุดท้ายแล้วนะฮะวันที่15นะฮะวันที่15เราจะจัดกันที่บ้านสวนไม่ใช่บ้านสวนรีสอร์ทบ้านบ้านสวนชมดาวสักอย่างฮะเดี๋ยวนะบ้านสวนชมดาวรีสอร์ทเออที่ขอนแก่นนะฮะบ้านสวนชมดาวรีสอร์ทที่ขอนแก่นนะฮะวันที่15ตุลาคมนี้นะครับวันเสาร์ที่ตุลาคมนี้นะบ้านสวนบ้านสวน ชมดาวรีสอร์ทอ่าจังหวัดขอนแก่นเวลาบ่ายโมงนะครับถึงถึงบ่าย4โมงเย็นนะครับบัตรราคา50บาทนะครับสั่งซื้อได้เลยในกลุ่มนะฮะจะมีจะมีผู้ที่จะมูที่บอกรายละเอียดอยู่นะครับทีนี้เนี่ยนะฮะใครที่มีทีมงานอยู่ใกล้เคียงผมผมขอฮะมาได้เลยฮะพาคนของคุณมาอยู่ในบรรยากาศอยู่ในอยู่ในข้อมูลหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองนะครับที่คุณอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับคุณพาเข้ามานะครับวันที่16นะฮะ เราเจอกันที่โรงแรมเนวาดาอุบลราชธานีนะครับเวลาเดิมนะฮะบ่ายโมงถึงบ่ายโมงถึงบ่ายโงเย็นเหมือนเดิมนะฮะบัตรราคาห้บาทเหมือนกันนะฮะฝากผู้ที่ฝากผู้ที่ขายบัตรนะฮะโพสต์ในกลุ่มด้วยนะครับโพสตในกลุ่มหนึ่งพันสร้างเงินล้านหนะครับแล้วก็ทีมงานไหนนะฮะที่จะมีคนเข้างานนะครับซื้อบัตรได้เลยนะครับสั่งซื้อบัตรไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อหน้างานนะครับวันที่15บขอนแก่น16นะครับ สิอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะวันที่22นะครับวันที่22นะฮะเราจะจัดที่กําแพงเพชรนะครับกําแพงเพชรนะฮะขึ้นไปพักหนือหน่อยนะครับกําแพงเพชรเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมแจ้งสถานที่อีกทีนะครับใครมีทีมงานที่อยู่ใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรนะจังหวัดตากนะฮะนครสวรรค์นะครับถ้ามาที่กําแพงเพชรได้นะครับอยากให้มาด้วยนะครับมาเจอกันนะครับเพราะว่าคุณมณิษาก็ไปนะครับคุณโอมก็ไปนะครับ เอ่อวันที่วันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์ที่28 29นะครับไม่ว่างนะฮะเอ่สิบเกนะฮะไม่ว่างนะครับอันนั้นต้องขอบายนะฮะแต่ว่าในต้นเดือนนะครับวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนนะครับเราเจอกันที่ฟังก์ชันกรุงเทพนะครับฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเติมขึ้นจะมีทั้งห้องคนเก่าและคนใหม่นะครับนั่นหมายความว่านะครับใครที่เข้างานเทรนนิ่งนะครับใครที่เข้างานเทร ไม่ใช่เทรนนิ่งใครที่เข้างานครั้งที่แล้วไปแล้วเนี่ยนะครับในห้องในห้องแรกนะฮะคุณจะต้องไปเข้าห้องเทรนนิ่งแล้วนะครับในครั้งนี้นะครับแล้วพาทีมงานใหม่ของคุณนะครับไปเข้าห้องห้องผมใช้คำว่าห้องห้องคนใหม่และกัน new queue นะฮะ <c oughs> เพราะว่าในห้องก็จะมีเรื่องข้อมูลต่าง ๆ, ๆนะครับแล้วก็นะครับเราจะมีวิทยากรที่เพิ่มขึ้นคุณจะไม่เจอหน้าผมแล้เดี๋ยวคุณเบื่อนะฮะเราจะมีวิทยากรหลายท่านนะครับที่เข้ามานะครับเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดผมจะแจ้งไปใน Facebook แล้วก็แจ้งไปในกรุ๊ปไลน์ด้วยนะครับอ่ะโอเคนะฮะไม่มีคําถามแล้วเนาะ ม, มีไหมมีมีเหรอหนึ่งคนสมัครได้กี่รหัสคะหนึ่งคนสามารถอันนี้ตอบตามตรงหนึ่งคนสามารถสมัครได้กี่รหัสก็ได้แต่ผมไม่สนับสนุนนะฮะฟังดีนะฮะทำไมถึงไม่สนับสนุนนะครั บ, ะะร บ, นน ค, รบคุณกําลังจะสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรที่มันดีเยี่ยมคุณจะต้องไม่สมัครหลายรหัสหนึ่งคนหนึ่งรหัสเท่านั้น เพราะว่าคุณจําเป็นต้องมีการบริหารและใช้งานรหัสที่คุณสมัครเข้ามานะครับคุณสมัครเข้ามาหลายๆรหัสแสดงว่าผมก็ไม่รู้ว่าในในในวิธีคิดของคุณคุณอาจจะอยากได้ไรายได้เพิ่มก็ได้นะฮะผมไม่อยากให้พวกเราเป็นผู้นําที่โลภผมไม่อยากให้พวกพวกเราเป็นผู้นำที่ที่ต้องที่ต้องติดภาพเดิมๆคือเนี่ยคุณทำคุณทำเน็ตเวิร์กมาคุณก็วางไว้3จุดเพื่อบล็อกเพื่อที่จะสร้างไรายได้แล้วคุณก็บริหาร อย่าใช้งานกับที่นี่เราจะไม่ทำให้เพจ q q เป็นธุรกิจขายตรงเพราะมันไม่ใช่ขายตรงคุณทำด้วยความเข้าใจมันนะครับทำแค่1คน1หนึ่งรหัสพอแล้วนะฮะฝากไว้ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ฝากในเรื่องของเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วในช่วงต้นใ น, ในเรื่องของพบอรบคอมพิวเตอร์นะครับมาตรา112นะฮะการเมืองนะฮะพระมหากษัตริย์นะครับไม่ว่าจะเชิงไหนก็ตามในเรื่องของพระมหากษัตริย์นะครับห้ามเด็ดขาดนะครับ เพราะว่ามันถูกพวองในธุรกิจนะฮะการแชร์ไปที่ YouTube ไม่มีตัวเลือกต้องทําอย่างไรยู u ูบนะฮะเง <c oughs> ื่อนไขคุณต้องเอาคลิปจาก YouTube เข้ามานะครับ YouTube เ <c oughs> งื่อนไขในการแชร์ไปคุณคือคุณต้องโพสต์คลิปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมาสร้างคอนเทนต์ในเพจพิวแล้วคุณจะแชร์ไปที่ YouTube คุณไม่สามารถทําได้นะครับคุณต้องเอาคลิปจาก YouTube เข้ามาข้างในแล้วแชร์ไปที่อื่นๆนะครับเรื่องอายุการสมัครก็บอกไปแล้วบอกไปแล้วนะฮะเรื่องอายุของคนสมัครนะครับ เม่ไหรก็ได้ไขอมีบัญชีธานาคารเมื่อไหร่จะมาที่อุดรบ้างครับคุณมาที่ขอนแก่นนะฮะอุดรมาที่ขอนแก่นเลยนะครับวันที่15นะฮะใกล้ๆผมเดินทางไป400กิโลนะครับเพราะฉะนั้นคุณมาหาผมดีกว่านะครับนะฮะพยายามจะจัดให้ให้ครบทุกจังหวัดนะฮะครอ บ, บคุมทุกภาคนะฮะแต่ว่า อันไหนที่เดินทางมาได้ผมเน้นย้ำนะฮะมามาเจอกันนะครับขอนแก่นก็ไม่ได้ไกลจากอุดรเท่าไหร่นะครับจัดเวลามานิดนึงนะฮะจ่ายเวลามาคุ้มค่าแน่นอนนะครับกับค่าน้ำมันของคุณนะฮะเพราะว่ามันกำลังจะทำให้คุณเป็นีล้านนะฮะมาเลยนะครับเจอกันที่ขอนแก่นนะครับชาวอุดรอ่าใครเอ่อซื้อคุณพวัตนี่ซื้อซื้อซื้อกับใครอ่ะบัตรอ่ะเขาบอกว่าไม่เห็นอ่านลายเลยครับจะสั่งซื้อบัตร สั่งซื้อบัตรโทรไปเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเวิร์ดดิงให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวโทรไปจองเลยนะครับเดี๋ยวผมส่งไปในกลุ่ม1 0 0 0งสร้างเงินล้าน 1, 2, 3, นะครับไปหาดูนะฮะกลุ่มใหญ่นะครับชนบุรีมีเมื่อไหร่คะชนบุรีชนบุรีทีมงานชนบุรีเดี๋ยวผมวางแผนกับทีมงานชนบุรีก่อนนะครับเดี๋ยวจัดที่ชนบุรีนะครับแล้วก็ตะวันออกนะฮะเราจะตีทุกภางเลยนะครับางตะวันตกก็รออยู่นะฮะที่กาญจนบุรีนะครับจังหวัดใกล้เคียงมาได้เลยนะฮะชนบุรีไม่ต ขันแก่นคุณอมกับคุณมารีสาไปไหมคะไปครับไปครับแต่ว่าที่อุบลอาจจะไม่ได้ไปนะฮะติดไปโบส น, นะฮะก็อ๋อโรงแรมพี่พี่บอสบอกว่าโรงแรมมาลินจังหวัดกําแพงเพชรโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอสเขียนรายละเอียดให้ผมหน่อยในห้องโค้ชนะครับอาา่าฮะโอเคอนะฮะหมดยังถามว่าต้องไปเรียนรู้ที่ ก, กทมด้วยเหรอ S <S เอ่อบอกอย่างนี้ฮะว่ามันมันก็ไม่จําเป็นหรอกนะแต่ว่าถ้าคุณเห็นว่ามันมันสําคัญคุณก็มาฮนะคุณก็มานะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีคลิปทุกอย่างนะครับนะฮะโอเคโอเคขอบใจครัถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันนะฮะพักผ่อนนะครับทุกท่านแล้วก็ฝากโค้ชนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับแชร์นะครับสิ่งที่คุณได้วันนี้นะครับ แชร์ให้มันเกิดความเข้าใจจริงๆนะครับผมเชื่อว่ามีคนที่เอาสมุดขึ้นมาจดแล้วก็มีคนที่นั่งดูอยู่เฉยๆนะฮะความรู้ทุกอย่างนะครับแรกๆมันจำได้หมดแหละครับแต่ว่านานๆไปนะครับมันจะกลายเป็นอากาศเพราะว่าคุณลืมนะให้คุณจดไว้นะครับสำคัญเลยฮนะเราจะมีสมองไว้เพื่อคิดและมีสมุดไว้เพื่อจำนะครับฝากด้วยฮนะวันนี้สวัสดีครับ